Buddham sariram gaccha. u d h a m r m a c h u d h a m s <laughs> a r a m gaccha. m s a g h a m s a <laughs> r <laughs> a m gaccha. ก็ขอโมทนายีครั้งหนึ่งนะที่ตั้งใจในการที่จะมาสับ พักฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยในการศึกษาหรือในการฟังก็ทําคําสอนนะในครั้งนี้ก็ที่จริงธรรมมาก็ก็เตรียมข้อมูลมาค่อนข้างเยอะเขาพยายามจะใช้เวลาที่เหลือก็จะพยายามขยายข้อความนะี้ในคําสอนของพระพุทธเจ้าเท่าที่จะ จะมีเวลาอำนวยามวกให้ใ น, นออในช่วงการบรรยายหรือสนอทนา่านาก็ทากันไปแล้วเนี่ยแคท่านผู้ใดเกิดข้อข้องใจใดๆก็สนทนากันวันนี้ก็ แก่อนที่จะสาธิตวันนี้จะสาธยายเกิดในเรื่องที่ทจานให้หัวข้อมานี่นะท่อนสมาธิสุขแล้วก็วิปัสสนาสุขก็เลยไปหยิบข้อความในพระไตรปิฎกโดยเฉพาะในกัมพีพีขณิกายสีระขันธวัชนี่นะในสามัญผลเยสุขเออผลระสุที่ให้ทางอาจารย์สุรพงษ์เขาสีหลอก จากฉบับของนิสยยาออกมาแล้วก็เป็นการสรุปออกมาแล้วก็เกี่ยวกับในสูตรนี้นะแต่ในพระสูตรนี้ทั้งหมดคงจะใช้เวลาในการที่จะบรรยายคงยังไม่จบเหตุที่ไม่จบก็เพราะว่าจากชั่วโมงที่เหลือนี่เวลาประมาณสองชั่วโมงกว่านิดหน่อยก็คงคงไม่เพราะในพระสูตรนี่เรามาบรรยายมาค่อนข้างสองลำรอบตองใช้เวลาหลายหลายอาทิตย์ ก็ไม่เป็นไรก็จะพยายามสรุปทีนี้ก่อนที่จะมาเนี่ยจะมาก็ น, นั่งสนทนากแบบันวัโดยปกติเนี่ยจะมาถนัดแบบไหนถงี้ขนัดแบบนิรักสนั่งการบรรยายแบบสูะยาวๆเลยแล้วก็ไม่ได้มีเวลาล็อกจากัดที่ถ้าพูดไปแล้วก็ไม่ใช่ค้านักเทศเป็นภาพแบบประเภทที่ว่าสนทนาว่าความอยู่ ถ้าว่าไปตามลาดับเหตุประสูตรนะได้แต่ถ้ามาสรุปล็อกในการที่ว่าจำเพาะเจาะจงเนี่ยก็ความไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเคยท่องแต่ก็พยายามจะดําเนินเนเรื่องให้ดีที่สุดในความรู้สึกของตนเองนะแต่ผู้ฟังยังไงก็ยังก็ลองว่ากับผมดูทีนี้ก่อนที่จะศึกษาในสูตรเนี่ยก็ไปเจอในพระไตรปิฎกในเล่มหนึ่งนะใน ปัญจาวิมุตตายตนานี้คือเหตุห็นความอยู่พ้นในห้าประการ ก, ก็เป็นเรื่องที่น่าจะศึกษากันนะว่าเออในปัจจุบันเนี่ยมีเรื่องที่คิดกันมากว่าเออการที่จะแทงตลอดอริยสัจในการที่จะบรรลุมรรคผลเนี่ยนะก็มานั่งคิดกันว่าเออมันมีวิธีการอย่างไรก็ต้องไปดูในในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าบอกเกี่ยวู่ในเรื่องเหตุแห่งการบรรลุหรือเหตุแห่งการหยุดพ้นไว้ห้าประการอันนี้เราก็จะได้ศึกษาในสูตรนี้เสเ็จเสร็จแล้วก็จะได้ตั้งอัธยาศาัยเข้าไวใช่ไหมตั้งอัธยาศาัยในการที่ได้เป็นปัจจัยแห่งการหยุดพ้นทีนี้ในการฟังพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านบอกว่าวิธีการตั้งอัธยาศาัยก็คือว่าผู้กล่าวพระธรรมเนี่ยระหว่างพระธรรมที่แสดงก็ต้องแยกให้ชัด ถ้าแยกไม่ชัดแล้วเดี๋ยวจะไปเข้าใจว่าเป็นธรรมะของท่านผู้ที่กําลังสแสดงอยู่ไอ้ตรงเนี้ยมันจะเสียหายเอาก็เหมือนจะตำหรับตา ล, ลาหนังสือเลยเทั่วไปเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่ชัดเจนในเรื่องตรงเนี้ยเดี๋ยวก็จะไปเกิดไปแยกไม่ออกระหว่างตัวผู้สแสดงกับระหว่างพระธรรมบางครั้งเวลาเราไปตําหนิผู้สแสดงเนี่ยมันจะไปภา พ, พิงรพระธรรมก็ที่มันจะเสียหายเลยตีงเนี้ยนะ พระพระธรรมนั้นพระสัตธรรมเนี่ยมีสิทประกรันใช่ไหมมัดส 4, 4, ี่ผลสี่นิพพานหนึ่งแล้วก็พระปริยัติธรรมหนึ่งรวมมีสิทธประกาันมีแม้พระสัตธรรมตอนที่พระบรมศาสาศดาจะเสด็จดับขันพระพระบริญนิพานเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสบอกแก่พระนลนมาดูก่อนนะนลทำและ ว, วินัยที่ตถาคตแสดงแล้วบัญญัติแล้วทำและ ว, วินัยนี้จะเป็นาศาสดาของพวกเธอหลังการล่วงไปหิหลังใช่ไหม ที่ทำแล้ววินัยนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอเนี่ยหลังการล่วงไปแห่งเราแปลว่าอะไรก็แปลว่าพระบรมศาสดานั้นปรินิพานไปหนึ่งองค์ขันห้าของพระองค์นั้นปรินิพานแล้วในวันเพ็ญขึ้นสิบห้าค่ำเนื้อวันวิสาขาบูชาแปลว่าการประชมขันของพระผู้มีภาะเจ้าได้แตกสลายแล้วถ้าในปัจจุบันนี้จะคงเหลือลอยู่ก็คืออะไรพระบรมสารีริกธาตุของพระองค์ ถ้ามองถึงในด้านของของขันก็คือเหลือแต่รูปขันในส่วนของพระาธาตุนี่นนะะเรียกว่าดินน้ำไฟลมสีหินลวดโอช า, าธาตุของพระาธาตุนั้นหลืออยู่ที่จะได้ให้เราทั้งหลายได้สักการะบูชาแล้วก็นอบน้อมในการที่จะตั้งอัธยาศัยเพยื่อเยียวปจัจจัยในการดุดพิมพ์นี้นะในตรงนั้นนะแปลว่าอะไรแปลว่าพระบรมศาสดานั้นผลิตคพามเป็นอยู่แต่ตอนนี้พระบรมศาสดานยังดำรงอยู่เท่าไหร่แปดหมื่นสี่พันองค์ใช่ ทต้งนี้เราก็ูเคยเก็บสล้วทีนี้พอพระบรมาศาสดาดารงอยู่แปดหมื่นสี่พันองค์เก่าวคือแปดหมื่นสี่พันก็ดำมาถามเนี่ยเป็นปัญหาตัญหาก็คือว่าในปัจจุบันเนี่ยชาวพุทธก็มาถกเถียงกันอะไรเป็นทำอะไรเป็นวิธีอันในอะไรเป็นพระธรรมคำทสอนของพระพุทธเจ้าขุ้ต้นก็เลยต้องมีการศึกษาพระธรรมเลยในปัจจุบันเนี่ยถามว่าเวลาเราศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ย ประเด็นที่จะต้องชัดเจนกันก็คือว่าหนิงต้องศึกษาให้ชัดเจนถ้าศึกษาไม่ชัดเจนเนี่ยมันจะเกิดความสับสนยิเยอะเพราะว่าไปที่ไหนก็เป็นวัฒนธรรมของพระพุทธเจ้าเต็มไปหมดใช่ไหมถ้าชาวพุทธเนี่ยไม่มีคําสอนเขาเรียกว่าไม่อาถารพ์ไม่ล่าเริไม่มั่นคงในวัฒนธรรมของพระพุทธเจ้าก็จะไปแยกแยะไม่ออกว่า น, นี้เป็นธรรมเป็นคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เดี๋ยวเราบอกเออท่านคู้นั้นกล่าวมานะท่านผู้นี้กล่าวมาเป็นต้นเนี่ยยกตัวอย่างเช่นว่าการบรรลุเนี่ยนะวิมุตตายะตนณะเนี่ยเกี่ยวกความบรรลุเนี่ยพระเจ้าตรัสไว้ห้าประการนะในห้าประการนั้นพระองค์ตรัสบอกว่าพระาศาสดาหรือเพื่อนพรมจารีบางรูปผู้ตั้งอยู่ในฐานะครูผู้สแสดงธรรมแก่ภิกษุในพระธรรมวินยัยนี้เธอรู้แจ้งอัตถะ รู้แจ้งธรรมะในธรรมนั้นตามที่พระศาสดา ห, หรือเพื่อนปรมจารีบางรูปผู้ตั้งอยู่ในฐานะครูผู้แสดงธรรมแก่เธอเธอเป็นผู้รู้แจ้งอัฏฐารู้แจ้งธรรมะย่อมเกิดปรางโมันนี้แปลว่าอะไรเนี่ยก็แปลว่าพระพุทธเจ้าก็ดีหรือเพื่อนปรมจารีก็ดีเนี่ยนะผู้ประพฤตธรรมเนี่ยนะพิสูจน์พิสูนีเป็นต้นเนี่ยผู้แสดงธรรมเนี่ยแก่เธอ ท่านคนนั้นอยู่ในฐา น, นะครูให้แสดงธรรมแก่เธอเนี่ยในขณะที่เธอหรือท่านเปล่านั้นกําลังฟังพระธรรมไปนั้นเนี่ยยามกล่าวคือปฏิเวท่า น, นี่ยนะก็เธอเป็นผู้รู้แจ้งอัฐานรู้แจ้งธรรมะย่อมเกิดปราโมทเมื่อเกิดปราโมทย่อมเกิดปีติเมื่อใจมีปีติกายก็ย่อสมสงบเมื่อกายสงบก็ได้รับความสุขเมื่อมีความสุขจิตก็ตั้งมัน่นนี้เป็นวิมุติ ตาเยตนาข้อที่หนอันนี้แปลว่าอะไรเนี่ยก็แปลว่าในขณะที่ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นต้นเนี่ยในขณะนั้นก็ใช้ญาณกล่าวคือปัญญานี่นะสติสัมปชัญญะในการเรียกพิจารณาอัตถะกาวพื้นเนื้อความของพระธรรมแล้วก็ธรรมมากือเหตุ น, นี่นะเป็นต้นเหล่าเนี้ยอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าสามารถไปชมลงใน อ, นนอริยสัจเป็นต้นได้ว่านี้ว่านี่คือโชคว่านี้คือเหตุใ้เกิดโชค นี่คือความดับทุกข์นี่คือข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์เป็นต้นในขณะที่ใช้ปัญญาไตร่ตรองพิจารณาอัฏฐ ธ, ธรรมะในขณะนั้นนใจก็เกิดปราโมทเองจิตเนี้ยเกิดปราโมทเพราะปราโมทเกิดขึ้นก็เป็นปัจจัยเกิดปีติปราโมทนี่เป็นปีติอย่างอ่อนนะแต่ปีติเนี่ยไม่มีปราโมทเป็นบรรทัดฐานพอปีติเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็เกิดความสงบเขาเรียกว่ากาย่อมสงบกายยปสุธีะเนี่ย จิตตาัสถีก็สงบเมื่อมีกายสงบแล้วเนะี่ยก็ย่อมได้รับความสุขเมื่อได้รับความสุขแล้วเนะี่ยจิตก็ตั้งมัน่นอันนี้เป็นวิมุตตายตนะทีนี้ในะอัตถกถานะอัตถกถาท่านขยายบอกว่าไอ้คำว่าธรรมะนี่นะธรรมะปฏิสังเวชโนก็แปลว่ารู้เพราะบานี้ปามโมชังนั้นได้แก่ปีติย่างมอนคาว่าปีติย่างรุนแรงนะ่่ท่านเป็นเหตุ คือเป็นอันเป็นเหตุหึ่งความยินดียิ่งทีนี้ข้ อ, อกายโยก็คือนามกายสงบกายยะบัตสติจิตตบัตสธิก็สงบเป็นต้นเนี่ยแล้วก็สุขขังก็คือได้รับความสุขทั้งกายก็สุขเจดสิกก็สุขส่วนคําว่าจิตตั้งมั่นนั้นเป็นชื่อของอรหัตผลสมาธิตรงนี้ถ้าหากเราดูจากคําสอนตรงนี้ก็ต้องไปสรุปได้เลยว่าหนึ่งการบรรลุข้อแรกเนี่ยฟังธรรมจากพระบรมศาสดาและพระเพื่อนพระมารี เมื่อในขณะที่ฟังไปแล้วเนี่ยฟังเสร็จปุ๊บเราได้บรรลุเลยยกตัวอย่างเช่นพระพุทธเจ้าสแสดงธรรมจักรกัระวจนะ ส, สูตรโปรดปัญญาวกขีทัห้างอยู่ไหมพอจบธรรมจักรกัระวจนะ ส, สูตรแล้วเนี่ยท่า น, นาัญญาโกณทัญนยาเนี่ยพร้อไมได้พรมอีกสิบกอันนี้หมายถึงโตรเดเทวดายังไม่นับเนี่ยนะได้บรรลุได้ตรงตาห็ธรรมอกวยังกินยสมุรรยะธรมมังสัพพัตังนิโรธธรมมังนี่นี่ย บอสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นต้องพวงย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาเน่แปลว่าแทงตลอดอริยสัตว์ได้เป็นพระโสดาบันคือทำมาจากสูตรได้เกิดขึ้นเพราะว่ามาจากสูตรเนี่ยบางสูตรท่านหมายถึงมรรคเบื้องบนแต่ในที่นี้ท่านหมายถึงโสดาปันินบางนี้ได้เกิดขึ้นกับท่านพระอัญญาโคนัญญาอันนี้แปลว่าอะไรแปลว่าการฟังคำได้บรรลุได้แล้วเยอะหมดถ้าเกี่ยวตอมท้ายจะไปดูอย่างเช่นใน พญยาสูตรเนี ah ่ยพระพุทธเจ้าแสดงโปรท่านพายาทารุจริยะใช่ไหมแสดงประชุมอารมณ์หกนี่ยย่อลงมาสี่ประการเนี่ยนวพอแสดงเสร็จปุ๊บเนี่ก็ได้บรรลุในขนาดนั้นเลยเนี่ยได้เป็นพระลังหานเลยเนี่ยฉะนั้นเมื่อฟังคำรู้แจ้งอัฏฐารู้แจ้งธรรมะแล้วเกิดปราโมทเกิดปราโมทเป็นปัจัยเกิดปีติปีติเป็นปัจัยเกิดปัสสธิปัสสติเป็นปัจัยเกิดความสุขสุขก็เป็นปัจัยเกิดสมาธิที่จริงสมาธิมีสองส่วนใช่ไห สมาธิเป็นปัจจัยเกิดยะถาภูฏายาณทัศนายะถาภูฏาย า, านาทัศนะเป็นปัจจัยเกิดนิพิทาเวราภาวิมุตติก็ว่าไว้แต่ที่จริงสมาธิในที่เนี้ยท่านอัตตกถาจารย์ท่านบอกว่าได้แก่สมาธิในอาราธนผลก็แปลว่าท่านฟังทำแล้วท่านประชุมลงมาลยาสัตว์แล้วบรรลุเป็นพระโสะดาบันบ้างสกาทาบคาบ้างอนาคาบ้างแล้วก็เป็นพระอรหันต์บ้างนี่แปลว่าอะไรแลว้วฟังทำแล้วได้บรรลุเลยมีประกาศสิ่งเดียใช่ไหม ตรงนี้มันก็จะได้ไม่ถกเถียงกันแล้วว่าเออว่าการบรรลุธรรมเนี่ยมันมีห้าประการนี้เป็นกรรมการแรกในในห้าอย่างนะประการที่สองในข้อที่สองท่านบอกว่าพระศาสดาในะพราสดาหรือเพื่อนพรมจารีบางรูปผู้ตั้งอยู่ในฐานนักครูไม่ได้แสดงธรรมแก่พิสูนนะ แต่พิกสูนั้นสแสดงธรรมตามที่ได้สดับมาตามที่ได้ฟังมาแก่ผู้อื่นโดยพิสดารอันนี้คืออะไรคือหนึ่งไม่ได้ฟังจากพระพุทธเจ้าและไม่ได้ฟังจากเพื่อนพรหมจารีแต่ท่านเป็นผู้สแสดงเสียเองท่านเป็นผู้สแสดงเสียเองในขณะที่สแสดงพระธรรมคำสอนเพราะการสแสดงธรรมสมัยก่อนเนี่ยไม่เหมือนสมัยปัจจุบันนี้ ถ้าสมัยครั้งพุกาลหรือหลังพุกาลเนี่ยหน่อยการแสดงธรรมนั้นจะไม่มีการมาขยายอะไรแบบสมัยปัจจุบันใช่ไหมในสมัยปัจจุบันเนี่ยยกบาลีมาสี่บาทคาถาแล้วก็ว่ากันทั้งวันเนี่ยนี่ไม่ใช่แล้วไม่รู้เอาอะไรไปใส่เขาโอดคขาพูดเขาเล่าเจ้าเขเยอะแยะเนี่ยนะถ้าในสมัยก่อนนั้นจะหยิบยกเป็นสูตรแล้วก็ไล่ไปตามลําดับเลยยกตัวอย่างเช่น เอวเมสูตังเอกังกามยังภควาภาราณสียามุหะรตียิสิปตะเนยุกะไดเยเป็นต้นเนี่ยสักก็จะไล่ไปตามลําดับไปจนจบเลยเนี่ยจนจบสูตรนั้นเลยเนี่ยท่านก็จะแสดงลักษณะอย่างนี้แต่ในขณะที่แสดงเป็นไปตามลําดับใช่ไหมแล้วก็ในขณะที่แสดงไปนั้นเธอก็เป็นผู้รู้แจ้งอัดเสเองเลยอัดถาหรือเนื้อความเสเองเลยแล้วรู้แจ้งธรรมะรู้แจ้งว่าบาลีแล้วอัดคำว่าบาลีเป็นต้นเนี่ย พอเกิดใช่ควรรู้แจ้งอัฏฐะรู้แจ้งธรรมะในขณะนั้นน่ะปลาโมดก็เกิดพอปลาโมดเกิดปีติก็เกิดพอปีติเกิดปัจสถานะก็เกิดนพอปัจสถานะเกิดความสุขก็เกิดพอความสุขเกิดก็สมาธิเกิดอันนั้นก็แปลว่าอะไรแสดงธรรมไปแล้วได้บรรลุมีตัวอย่างไหมพระโสนาบุตรต้นเนี่ยตั้งแสดงธรรมแล้วได้บรรลุเอง อาตมาก็ตั้งอัธยาสัยไว้เหมือนกันนะเวลามาแสดงธรรมเนี่นะทําไมทําไมต้องไปแสดงธรรม้วือไม่วัตถุประสงค์สิ่งหนึ่งที่ตนเองตั้งใจไว้ก็คือหนึ่งตนเองได้ฟังว่าธรรมได้ฟังว่าธรรมและส่วนหนึ่งก็คือได้ได้ให้คนอื่นได้ฟังด้วยฉะนะ้นถ้าหากว่าจะมาแสดงสิ่งที่โถเดี๋ยวมั้ย อันนั้นก็ถือว่าคําสอนของผู้ทีเจ้าบริบูรณ์ไปตามไปตามสิ่งนี้น แ, ตแต่อตาจจะมาสะแสดงผิดนี่นะคนที่รับผิดเกิดทาไมจะ ต, ต้องไปอาบายทุกติกิปิบัติใ น, นลบใช่ไหมก็อาจมาเป็นผู้กล่าวผิดตัเอ ง, นะ เ, งเนี่ยฉะนั้นเวลาแสดงธรรมเนี่ยอาณาก็ต้องตั้งอัธยาศัยไว้บอกเออการสแสดงธรรมนะในะครั้งนี้หรือครั้งนี้ไหนก็แล้วแต่ขอให้อย่าดีสติสำหปัจัญญามัลื่อนเลย เดีวไปกล่าวพลาดทิ้งว่าทําของพระเจ้าเราดูอย่างท่านพานน์โนนยังไหมท่านพานน์โนนลอไปดูคําว่าเอวมเมสุตังสิบอกว่าเข้าพรเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้แปลว่าอะไรรู้ไหมท่านพานน์นต้องการเคลื่อนตัวเองออกนะเคลื่อนตัวเองออกว่าเข้าพรเจ้านนนไม่ใช่สยามภูเนาะเข้าพรเจ้านนนไม่ใช่สมมาสมพุทธท่านเนาะเข้าพรเจ้าไม่ได้ตัดสรุ้เองโดยชอบนาะแต่เข้าพรเจ้าได้สดับมาเองอย่างนี้นะเพราะงั้นนะฉะนั้นแล้วก็บอกได้นะว่าเข้าพระเจ้าไี่พานน์นเนี่ย ได้ฟังธรรมจากพระบรมศาสดาเนี่ยแปดหมื่นสองพันระธรรมขันธ์ฟังจากพิสุอื่นมีภาษารีบุตรเ็นต้นสองพันพระธรรมขันธ์รวมเป็นแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ยังไงฉะนั้นข้าพเจ้าเนี่ยฟังมาเนี่ข้าพเจ้าโดยฐานะหนึ่งเป็นผู้ได้อุปถาหนี่นะเป็นผู้เป็นผู้หูสูตรเป็นผู้มีคติมีทิฏฐิยังไงมีปัญญามากไปต้งเหล่านี้ยที่พระพุทธเจ้าสงสารเสริญเนี่ ย, นนยแต่ข้าพเจ้าเองก็ไม่ใช่เป็นสัมมาสมัมพุรับ ฉะนั้นถึงบอกว่าใครเลยไหนเลยจับรู้อัธยาศัยของ พ, พระพุทธเจ้าซึ่งมีอัธยาศัยหลากหลายเลยเกินยี่มันหนึ่งทั้งปาฏิหาริย์ก็มากมายทั้งพศพลายานก็ตั้งสิบประการเนี่ยรู้ฐานะอัถนะเป็นต้นเหล่านี้ใช่ไหมแต่ว่าท่านพระานนท์ท่านบอกว่าท่านเพิ่งเพ่งบารมีมาแค่แสนกับเองแต่พระบรมศาสดานั้นเสียสองขย้ยิ่งโดยแสนกับใช่ไหมอันนี้ไม่นับที่ใน คิดในใจหรือเปล่งวาจาออกมาไม่ได้นับนะเป็นต้นหลยนี่เนื้อฉะนั้นท่านต้องการอะไรต้องการเปลื้องตัวเองออกว่าท่านไม่ใช่ผู้ตัดสู้เอีกอันนี้เป็นแบบแผนไหมเป็นแบบแผนของผู้สแสดงธรรมผู้เขียนวัฒธรรมเสมอฉะนั้นเวลาจะเขียนวัฒธรรมต่างๆหรือว่าจะกล่าววัฒธรรมต่างๆก็ต้องเปลื้องตัวหน อ, อกก่อนใช่ไหมต้องเปลื้องตัวน อ, อกก่อนว่าเอเราเนี่ไม่ใช่ผู้รู้เนะีเราเป็นผู้รวบรวมข้อมูลมาแล้วก็นําเสนอท่านทั้งหลายเมื่อท่านทั้งหลายฟังวัฒธรรมคำสอน ที่ที่เข้าไปเจ้ารวบรวมมาแล้วนี่นะจากพระธรรมคำสอนของพระเจ้าแล้วเนี่ยถ้าท่านทั้งหลายจะพ้นจากวัฏจทุกข์ได้อันนั้นใครเป็นคู่ดึงท่านออกจากวัฏจัทุกข์หรือถึงออกจากกรดเขาบอกพระบรมศาสดาถ้าเป็นผู้ดึงหนึ่งใช่ั้นไม่ใช่ไม่ใช่ผู้สแสดงผู้สแสดงก็เป็นเรื่งของผู้อ่านสารใช่ไหมความดีก็คือว่าโอ้ท่านคนนี้อ่านได้ถูกอัตถะแล้วพิจารณาชนะนนความดีถ้าจะได้ก็คือได้ตรงนั้นและอีกอย่างก็คือว่าได้ดียัง ไ ด, ได้ได้มหาสิการได้เฉริญบุศลแล้วก็ได้ฟังประธรรมร่วมกันเราจะมาตั้งใจอย่างนี้นะเหมือนมาวันนี้ก็เหมืนอนกันมาก็ตั้งใจบอกโ อ, อ้เนี่ยวันนี้ได้โอกาสดีแล้วมาฟังธรรมร่วมกับพวกเราทั้งหลายเลยผ่านไปแล้หนึ่งแสดงเองแล้วก็ฟังเองแล้วพวกเราทั้งหลายก็ได้โอกาสฟังกันอยูน่ น, ยนี้ถ้าเกิดฟังคือตนาบไหมค่ะที่เราจะมาสแสดงว่าธรรมไปใช่ไหมเกิดแท้ตรงไหนผิดอักทะ ผ, ผิดพยญญาณชนะท่านก็ยกมือแล้ว ท่านผู้ปัญญาตอนนี้รู้สึกท่านจะเจริญไปแล้วนะก็ต้องบอกกันอย่างนี้ไถ้าอย่างเนี้ถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมเป็นกัละยาณนะมิจฉาถ้าไปปล่อยเขารถเขาคงมียุ่งกันใช่ไงมคี้บอย่างนี้สบายใจนะแสดงทำอย่างนี้นะทีนี้ในขณะที่สแสดงทำเองนั้นก็เป็นผู้รู้แจ้งอ่ะรู้แจ้งทำไม่แล้วก็เกิดปรามโมทย์เกิดพีติเกิดปสัสสติเกิดความสุขแล้วก็เกิดสมาธิอันนี้ก็เป็นวิมุตติวิมุตตายจตนาข้อที่สอง นี่เห็นการบูรพ้นนะแปลว่าพวกเราทั้งหลายฟังธรรมจากวันนี้ไปหรือไปอ่านพระธรรมอ่านสูตรใดสูตรหนึ่งไปสาธยายนะเรากลับไปก็นั่นแหลไปจับใครก็ได้เป็นเพื่อนกันก็ได้อ้ามั่งฟังธรรมหน่อยเราจาะแสดงธรรมก็สแสดงไม่เพราะความสแสดงไปสแสดงมาเราได้อันนี้สงด้วยก็ยังเราก็ใจลเอียดการไปหรือใช่ไหมกลับไปยอมผู้หญิงก็ไปอยอบอกโยอมผู้ช า, ายบอกเราคนนี้ฟังธรรมามาเต็มที่แล้วนั่งฟังหนด เพราะว่าปกติโยมผู้ชายยัยยยยยงเป็นใจโยมผู้หญิงอยู่ะะแล้วใช่ไหมแต่แสดงธรรมอันนี้เห็นไมบอกว่าฟังธรรมด้วยกันนลยเอาประการที่สามภาษาสดาหรือเพื่อนปรมารีบางรูปผู้ตั้งอยู่ในฐานะครูไม่ได้สแสดงธรรมแก่ภิกษุแม้แต่ภิกษุก็ไม่ได้สแสดงธรรมตามที่ตนได้ศึกษมาที่ตนได้เรียนมาโดยพิสดาร น, นะ แต่ภิกษุสาทยายทำตามที่ได้สดับมาตามที่ได้เรียนมาโดยพิสดามอันนี้ไม่ได้ฟังจากพระบรมศาสดาแล้วก็ไม่ได้ฟังจากเพื่อนพรมจารีนะไม่ได้ฟังแต่ว่าได้ศึกษาว่าทำมาแล้วศึกษามาอย่างดีแล้วนะเรียนมาจากผู้อื่นเป็นอย่างดีจากใครก็ได้จากภิกษุภิกษุณีบาสกอรุบาสิกาก็ได้เมื่อเรียนมาแล้วโดยพิสดารนะ พิสูจนั้นหรือพิษุจนิวุบาสกและอุบาติการนั้นก็นำเอาพระธรรมนั้นมาสาธยายโดยพิสดารสาธยายโดยพิสดารสาธยายยังไงไม่ได้สรัดสาทยายแบบอุเทนนะนีเทศด้วยมาขยายเลยตั้งแต่เบื้องต้นถามกลางแล้วก็ที่สุดในขณะที่กําลังสาธยายพระธรรมไปนั้นเมื่อจะพู่เราสาธยายอิติปิโสภะภาวะยังไอิติปิโสภะภาวะหังสมมาสัมบูโตวิชาจตนาสัมปันโนเป็นต้น ถามว่าแวบๆอะไรในใจบ้างไห ม, มีความรู้สึกเกิดปลาโมดในใจไหมเกิดปลาโมดไหมเกิดปีติไหมเกิดปัสจัติที่ไเกิดความสุขไหมเกิดสมาธิเป็นต้นหรือไม่ก็ลองพิจรารณาถ้าไม่เกิดเลยก็แสดงให้เห็นคืออะไรแสดงว่าอัจิยา<ม>สัยเรายังไม่ใช่ยังไม่ใช่วันเนี้เ น, นาะท้อไหมถ้าคิดอย่างนี้แล้วท้อไหมเพอเราท้อมานานนะมันเกิดมาเราต้องตั้งอัจฉรยะสัยใหม่นี่คือปัจจัยว่าเราเคยท้อมานานแล้ว ฉะนั้นถ้าเราไม่ตั้งอัจฉยะสายการบำเพ็ญธรรมเน่ต้องตังต้องอัจฉยะสายเพื่อเป็นปัจจัยใหความพนทธคุหนึ่งไม่ได้ไปตั้งอัจฉยะสายเพื่ออย่างอื่เนเดี๋ยผิดทิทางเล่ลุ่มเลยเนี่ยคือสาธยายทำในขณะที่สาธยายไปนั้นได้บรรลุเองเคยมีประวัติศาสตร์ไหมว่าเอาพระธรรมมากำลังสาธยายไปตามลําดับแล้วได้บรรลุอันนี้ก็เป็นเหตุแห่งการบรรลุเลยไม่สรุปแล้วการบรรลุมีสามประการแล้วเนาะ ฟังธรรมจากพระเทเจ้าแล้เพื่อนพรมจารีแล้วก็แสดงธรรมแล้วได้บรรลุประการที่สามก็คือสาธยายทำตามที่ได้เรียนตามที่ไดทรงจํามาโดยพิสดารท่านก็ได้บรรลุได้เอาประการต่อไปคือประการที่สี่ในประการที่สี่เนี่ยพระศ า, าสดาหรือเพื่อนพรมจารีผู้ตั้งอยู่ในฐานะครูไม่ได้แสดงธรรมดือดหรือแม้ภิกษกุก็ไม่ได้ไม่ได้แสดงธรรมตามที่ได้สดับตามที่ได้เรียนมาเนะ และก็ไม่ได้สาธยายตามที่ได้สดับตามที่ได้เรียนมาโดยพิสดารแต่ทิศสูนั้นตึกตามตรองตามไปตามเิ่เงโดยใจซึ่งทำตามที่ได้เรียนมาตามที่ได้สดับมาตามที่ได้เรียนมาโดยพิสดารอกลุ่มนี้ตกลุ่มนักตึกนะเข้าใจคําว่าตึกไหยบาลีก็ใช้คําว่าไงตึกเขาใช้คําว่าไงท่านใช้คําว่าอานุวิตักเทติ อนุวิจารติมนสาเบต้นมนสาอนเปคติก็แปลว่าอะไรกลุ่มนี้คือว่าตรึกแล้วจะตรองแล้วก็ตามเพ่งโดยใจในสามคำนะนี่กลุ่มใช้อะไรใช้สัมมาสังกัปปะแล้วก็ใช้สัมมาทิฏฐินะ สรุปก็คือว่าใช้ศีลสมาธิปัญญาในแหละในการที่จะไปไข่ควรในการที่จะตื่นตามแล้วประรองตามแล้วก็ ต, ตามเิ่งโดยใจในขณะที่ตื่นหรือพิจรารณาไข่ควรพระธรรมตามที่ตัวนี้ได้ฟังมาได้เรียนมาโดยโดยพิสดารนั่นแนะ่เออพอตื่นไปตามลําดับแล้วเนี่ยปราโมดตัวตัวพอปราโมดเกิดแล้วปีติก็เกิดพอปีติเกิดปัสสัตทีก็เกิดพอปัตสัตทีเกิดแล้วความสุขก็เกิดและความสุขก็เป็นบรทฐานแก่ สมาธิสมาธิในที่นี้ท่านได้แก่สมาธิที่ในอาราถผลน้ว่าก็แปลว่าเอาสูงสุดเลยก็แปลว่าท่านไข้ควรอย่างรุนแรงเลยว่าแม้แต่ในที่สุดจริงๆแทงตลอดอริยสัตว์ได้ที่นี้ปัญหาคือในการในกรณีที่เราตึกนี้นะ เ, ออเราจะคิดยังไงใช่ไหมพอได้ยินพระธรรมคาสอนเบ็เสร็จแล้วเนี่ยอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าอาศัยตาและลูกเกิดจากผูวิญญาณการประชมุมต้องทำสามประการเป็นผัสสะ เพราะภาษาเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหาเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงเกิดอุปาทานเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงเกิดพบเพราะพบเป็นปัจจัยที่เกิดชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยที่เกิดชราวรณาโสการปิฎกทุตุปโธมนาสาวาญญาตว่าความเกิดขึ้นในกองทุกข์ทั้งมวลมีได้โดยประการอย่างนี้แล้วก็ท่องกันได้อย่างนี้ใช่ไหมแต่นี่แปลว่าอะไรสมได้อย่างนี่เนี่ยเขาต้องมาให้ครูอีกนะไอ้ตืดเนี่ย ท่านไถ่กลัวนึกออตายยังไจักขู่ภาษาท่านเนี้ยแล้วก็รูปารมณ์เนี่ยแล้วก็จับรูวิญญาณเนี่ยการประชุมต้องทำสามประการนี้เป็นภาษาเออภาษาประชุมทำมาทั้งสามประการนี่ไหมภาษาก็เป็นปัจจัยเกิดสุขเวทนาก็ได้ทุกเวทนาก็ได้แล้วก็อทุกขมสุขเวทนาก็ได้ถ้าสุขเวทนาเกิดขึ้นแล้วถ้าไม่มนสิการป้องกันให้ดีจะตามมาด้วยราคะเนี่ยถ้าทุกเวทนาเกิดขึ้นไม่มนัสิการไม่ใครกลัวได้ดีแล้วจะตามไปด้วยปฏิฆาหรือโทสารเนี้ย ถ้าทุกขมสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะการประชุมกันของตาจาักรปูวิญญาแล้วก็รูปาโรมณ์เป็นต้นเหล่านี้จะเป็นปัจจัยเกิดอวิชชาเป็นต้นนะี่นะแต่ถ้าว่าค่อยควรหรือพิจารณาแล้วก็จแะแยกแยะล้กในที่สุดจริงๆก็จะละตัณหาจะละโทสะแล้วก็จะละอวิชชาได้นะก็คือทําศีลสมาธิให้เป็นไปในการฉิญเนี่ยนะทางตาวานตาเนี่ยก็เรียกประชุมสิกขาสามได้ ในการได้ยินก็เหมือนกันถ้าใครประชุมที่ศีลศีลสิกข า, าที่จิตตบสิกขาแล้วไปที่ปัญญาสิกขาได้ก็ป้องกันได้ใช่ไหมศีลป้องกันโทสะไหมป้องกันโทสะนะปริฆาตนะถ้าสมาธิก็ป้องกันตัญหาถ้าปัญญาก็ป้องกันอวิชชาวิโ ม, โมห์นี่เนะี่ยถ้าประชุมได้อย่างนี้ตัวครั้งชีวิตเราได้ดีไหมชีวิตก็ต้องได้ดีใช่ไหยเราที่นั่งนั่งกันอยู่เนี่ยเรามองกันแล้วเราเห็นเป็นการประชุมกันข้องขน 5, ันห้ากำลังเป็นไปอยู่ไหมเห็นอริยสัจปรากฏไหม ได้มองดูไหมเออนี่กําลังมาทําบุญทําบาปตรงนี้เนี่ยพระมาบรรยายทำนี่พระมาทํทาบุญด้วยเปาพระก็มาทําบุญนะอาเจี้ยคพูดที่พูดไปแต่ละคำมีที่พูดพู ด, พ, ดพูดไปเนี่ยเป็นวจีสุจริลไหมเป็นวจีสุจลิลนะออกจากมโนสุจลิตใช่ไหมมือขยับขย่อนวัตถิกำลาไปด้วยอยนี้เป็นกายเลยนะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเป็นสุจลิตเลยใช่ไหมเือท่านในลักษณะนี้กระแสะขันของท่านพูดกาลังบรรยายพระธรรมเนี่ยเป็นไปกับสุจลิตสอง ทีนี่กระแส ข, ขานของท่านผู้ฟังเลยต้องทํากิตตัวเองนะต้องทํากิจตัวเองไนมะช่วยกันไม่ได้ทีนี้กุศลได้จที่สามารถที่จะให้กันได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมกินน้าแทนกันได้ไหมเนี่ยอ่าโมทนาได้จ้ะ <c oughs> แต่จะให้แต่จะให้อี่ยมแทนกันไม่ได้แล้วเนี่ยถึงบอกว่าอาตมาก็พยายามทํากิจของอาตมาเต็มที่อ่ะคือหนึ่งต้องจเจริญกุศลไม่ให้บาปมาแทรก ถ้าใครจะนั่งหลับก็เป็นเรื่องของคนกินนั่นไปใช่ไหมก็แปลว่าท่านผูนั้นไม่ไม่เคารพพระพุทธเจ้าอย่างนีไม่ใช่ไม่เคารพอาจจะมาแล้วท่านผูนั้นก็ทำกิจตัวท่านไปใช่ไหมแต่ถ้าหาว่าท่านผู้ใดตั้งใจฟังตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยก็แปลว่าท่านผูนั้นนอกน้อมว่าทํำคมสอนของพระพุทธเจ้าและจิตก็ไปไปกับผู้สอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมอือท่านผูนั้นเจริญบุญนี่ยแล้วยิ่งท่านใครควรก็เจรนาประทำคาสอนของพระพุทธเจ้าชัดเจนใช่ไหมในที่สุดจริงๆก็จะเป็นปัจจัยการรู้แจ้งอั้ฏ มรืรู้แจ้งอัถถารู้แจ้งธรรมะแล้วก็เกิดปราโมดด่าเพราะปราโมดเกิดขึ้นปีตีปสัสธิเป็นต้นก็เกิดมหาภุสโมีเวทนาประกอบเท่าไหร่มีเวทนาสองใช่ไหมสอมนัดเวทนาเข้าเวขาวเวทนาแต่ถ้าใครฟังไปแล้วเกิดทุกขวเวทนาแสดงว่าตอนนั้นไม่ใช่บุญแล้วใช่ไม่ใช่ต้องจัดการตัวเองนะอย่าไปให้ผู้อย่าให้ผู้แสดงธรรมเป็นผู้จัดการเพราะใครจัดการตัวใครไม่ได้ใช่ไหมท่านจะต้องจัดการเรองยาวุศโประเภทไหน จะสังขารฤทธิ์ศาสนาฤทธิเจ้าสมนะหรืออาวิปเอาเอาอุเอขาจะเอายานะสมยุญยศก็ได้จะยานวิปยุศก็ได้จะเอาเบเกติเหตุประเภทอุกคาถาก็ได้ใช่ไหมเอาโอมกาก็ได้ก็ลองไปพิจารณาดูฉะนั้นอยู่ที่เราจะจะไขตัวยังไต้องปรุงแต่งไมะั้นต้องปรุงแต่งปัญญานี่เป็นขันนี่อะไรเป็นสังขารละขันใช่ไหมสังขารละขันนี่ต้องประชุมต้องปรุงแต่งใช่ไหมต้องปรุงแต่งยิงหะปรุงแต่งให้เก like. <ง>ิดร่วมกระสมนะหรก็ได well, right ้ <interrupting> วงแต่งเนี่เกิดร่วมกับศรัทธาที่แรงกล้าก็ได้ใช่ไหมเราต้องเห็นลองสังเกตดูดิคนมงคนนี่มันแรงกล้าเหมือนศรัทธาท่านนี้ไหมดูศรัทธาของพระโพธิสัตว์ตอนสมัยที่พะตีบางก้วมาเสด็จพระเจ้าใช่ไหมที่ว่าสุมเมธาดาบทเนี่ยท่านทำไท่านคิด ท, ท, ท, ท่านได้ไงถาว่าถท่านจะบรรลุเนี่ยฟังสี่บาคถาท่านจะบรรลุเป็นพระลังค์แต่ฉานอภินญาเลยใช่ไหมปฏิสัมพิทายานทั้งสได้ด้วยอภินญาหกด้วยวิชาสามด้วยถ้าอย่างเราเนี่ย เราเอาไหมวันนี้สมมติจะได้ออวิชาสามอภิญญาหกแล้วก็ปฏิสั 2, มพัทธายามสี่เอาแล้วเห็นแก่ตัวดีดใช่ไมจ๊ะเไม่คิดถึงคนอื่นแล้วเรื่องอะไรจะไปมองหาคนอื่นทำไมใช่ไหมจ๊ะบอโอ้ยเราแค่นี้เราก็เหน็ดเหนื่ยอยจนแคบยากแล้วใช่ไหมจ๊ะเขาปรารถนาจากบรรลุจะแทงตลอดถามว่าคือท่านคิดอะไรทา่านว่าคนเช่นเราเนี่ยที่จะบรรลุถ้าหากจะบรรลุเนี่ยก็ปรารถนาให้บุคคลอื่นบรรลุด้วยเป็นต้น แลพิจารณาอย่างนี้โห้ยความหากรุณาที่คุณมีไหมบางคนเป็นห่วงพระโพธิสัตว์เออเป็นห่วงยังไงรู้ไหมยกตัว อ, อย่างเช่นว่าตอนที่พระโพธิสัตว์สุเมธาดาบทท่านฟังทำอยู่พระพุทธเจ้าอยู่ไหพอกว่าเออพอ พ, อ, พ, อ, พอท่านเห็นพระพุทธเจ้าไปเสร็จแล้วตั้งอัธยาศัยปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าก็พยากรณ์ท่านอยู่ไหมหวันนั้นที่ว่ามีภิกมีพระหรหัรนต์สีนัสสกุลสีแสนโลกเป็นต้น แล้วพระพุทธเจ้าแล้วก็ว่าหลังกีนะส่เป็นต้นทำบัพติศนท่านแล้วก็จากไปแล้วก็พยายามคอนาท่านผู้นี้เป็นหน่อนือผู้ทางบุตพอหลังจากเข้าไปเเสร็จแล้วท่านคิดอะไรเองก็คิดพุทธกาแล้วก็ทํำไหมคิดบารมีทำศระการท่านคิดเองนเองนยิ่คิดเองแปลว่าอะไรรู้ไหมท่านฟังเกี่ยวกับในเรื่องของพระโพธิสัตว์เนี่ยวิปัสสนาญาณของท่านเนี่ยไม่ต้องพูดถึงท่านจอสังขารูปเปยขายานแทบทุกชาตินี้ ยกเว้นชาติที่เป็นสัตว์เดรัจฉานนะใช่ไหมใช่ทีนี้ถ้าเราไปมองไปพิจารณาตรงเนี้ท่านสาวกการที่พ่อโพธิสัตว์เนี่ยท่านมีวิปัสสน์ท่านแค่ฟังประจําคํ า, าสอนเนี่ยท่านก็แทบจะทะลุถึแต่ว่าหลังจากท่านบําเพ็ญบา ร, รมีเนี่ยท่านต้องห้ามใจอะไรหรู้ไหมพอครบสองอสงไขยเนี่ยท่านต้องห้ามใจว่าอูจะไม่เอาโพธิเจริญโพธิญาณ ซึ่งห้ามยากมากนะอย่าลืมนะใช่ใช่ไหมใช่ห้ามยากมากเราคิดดูที่ว่าถ้าเกิดประสบปัญหาอย่างหนักๆอย่างชีวิตเราสมมติจะาขาดทุนจะบ้านลายแล้วจะบัานหมดเลยนะี่นะแทบจะเป็นคอทาร์เลยเนะี่ยแ่องค์ทางหนึ่งคือเรามบรรลุหนีได้ดิ่องคทางนึงเราจะช่วยสัตว์หรือสัตว์นี่ถ้าอย่างเราไม่เอาแล้วเจ็บปวดเหลเกินชีวิตช่วยก็ตื่นมาจบตายเราไม่เห็นไดีดีดีดีก็จะคิดแบบนี้ใช่ไหมใช่ ท่านก่โพธิสัตว์เนหลังจากที่ท่านบำเพ็ญบารมีจะเต็มแล้วเนี่ยท่านจะต้องทํำยังไงเราจะไม่เอาไม่เอาแค่ปเจกับโพธิญาแล้วก็พิจารณาถึงข้ามากรุณาที่คุณของท่านเนี่ยนะเพราะพิจารณาอย่างนี้เราจะได้เห็นคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยว่าโอ้โหพระพุทธเจ้ามันไม่ธรรมดาอย่างที่เราคิดจะแล้วของพิจารณาอย่างเนี้ยกระแสขันของเราจะได้น้อมศรัทธาในพระพุทธเจ้าอย่างเต็มที่จะไม่ได้ชักเข้าชักออกถ้าอย่างนั้นนี่วันนี้ศรัทธาพรุ่งนี้ไม่ศรัทธา แต่ถ้าเรารู้คุณของพระเจ้าจริงๆเนี่ยเราจะไม่ถอยนะเราจะตั้งมั่นในคุณนั้นอย่างชัดเจนฉะนั้นเจ้าพิจนารณายอย่างที่บอกว่าถ้าหากว่าเราฟังธรรมเรามนติ ก, การใจของเราให้เป็นไปกับกุศลเมื่อเป็นไปกับกุศลนั้นกุศลที่ต้องประกอบด้วยโส ม, มนัสแล้วก็กุเบกขาทีนี้เราก็ต้องประชุมยังไงว่ากุศลที่เกิดขึ้นในกระแสขันของเราท่านทั้งหลายนั้นเนี่ย ก็ต้องเป็นกระแสะขันที่ต้องเป็นไปกับกุศลที่เป็นยามนั้นสำประโย์ก็จะประเสริฐเนี้ยฉันการบังทำในลักษณะอย่างนั้นถือว่าเราทํากิจของเราได้สมบูรณ์ต่างคนต่างก็เรียกว่ามาทําหน้าที่ทาหน้าที่ในกา ร, การที่อื่นเราจะมานักสรกขาทำคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างไรเพราะในขณะที่เรามานั่งเนี่ยแปลว่าเราจะต้องมาอะไรชําระกุศลศีลไหมเพื่อการชําระกุศลศีลก็คือชําระกายกรรมวจีกรรมและบัดสมชระอาชีวะให้บริสุทธิ์ ชำระ ก, กายกรรมและวเวจีกรรมแล้วก็อาชีวะให้บริสุทธิ์นั้นเพื่ออะไรเพื่อเป็นฐานรองรับแก่คุณธรรมเบื้องสูงการฟังก็ทำนี้เป็นอะไรเป็นกุศลระดับไหนภาวนากุศลใช่ไหมยอยู่ๆภาวนากุศลจะเกิดขึ้นโดยไม่มีสีเรื่องกุศลเป็นฐานรองรับได้ไหมไม่ได้เห็นไหมเนี่ยฉะนั้นท่ทั้งหลายต้องทําหน้าที่เองในการที่จะใช้สติสัมปชัญญะเป็นต้นในการชำระ ก, กายกรรมแลว้วเวจีกรรมแล้วอาชีพอาชีวาของท่านใรีบริสุทธิ์เพื่อจะได้เป็นฐานรองรับคุณธรรมเบื้องสูง คุณธรรมเบื้องสูงคืออะไรคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาใช่ไหมศรัทธาจะตั้งมั่นในคุณของคุณธรรมไตรวิรยิยะความเพียรในการที่จะม่ให้คุณธรรมเป็นต้นเหล่านั้นถอด ถ, ถอยลงท่านจะต้องคําจัดทำยนทำยุนเหยในการที่ใช้วิริยะเป็นตัวคําจุนสติในการที่จะลึกเป็นไปใดตามพระธรรมคําสอนของพระเจ้าสมาธิต้องตั้งมั่นในการฟังปัญญาก็ต้องไขควรพิจารณาไตร่ตรองไปตามเนื้อหาสาระของพระธรรมเทิตนาที่ออกจาก ใครก็ได้นี่นะที่ที่ประกาศว่าทาคําสอนของผู้ได้เจ้านะถ้าเราทํากิจในลักษณะนี้แปลว่าอะไรเราชําระใช้กุศลศีนี่ยนะชาระกุศลสีก็คือชาระกายกรรมวจีกรรมแล้วก็ชําระสัมมาชีวะให้บริสุทธิ์ก็จะได้เป็นฐานรองรับคุณธรรมเบื้องสูงที่จะเกิดขึ้นถ้าเป็นไปในลักษณะนี้การฟังธรรมได้ประโยชน์นะการฟังธรรมก็จะเกิดประโยชน์ก็จะเป็นปัจจัยแก่ปรามทยให้ลูกเจดูนะ ถ้าปลาโมดมันไม่เกิดเลยฟังก็เฉยนี่ฟังก็เฉยนี่ เ, เราต้องเก๊เราผิดปกติแล้วยช่ไหมบางทีไปโทษดิไม่รู้คนแสดงออะไรมาพูดกันไม่รู้ <c oughs> <c oughs> พูดอย่าไรเรเศ้าใจจะหลับสักทีเลยนี่ <c oughs> แต่ถ้าหลับไม่เป็นไรเนาะที่วอกไม่เป็นไรว่าอะไรจินลองระวังไม่เป็นบาลแต่ให้หลับตลอดนะห้ามตื่นให้หลับตลอดนี่เล น, นี่เป็นปรวังแต่สําสคัญตื่นขึ้นมาเปน็นอาโกศลแล้วก็ลงระวังต่อเงี้ย ตื่นขึ้นมาก็เป็นหน้าผู้สอนลงกวังต่อโอ้ยทำไมนั่งทำบาปทําไหมถ้าี่เนี่ยนะเพราะจริงๆมันนักศึกาาไม่ก็ดีนะไม่เป็นโยนี่สมันศึกามี่ถ้ามโนตวารวัชะชะนาขึ้นมาใช่ไหมมโนตวารวจชชะนาขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นบัจจัยแก่ผู้สอนโชวห น, น้าเออว่ดีอ่ะถึงจะหลับก็ไม่เป็นไรใช่ไหมเพราะร่งะางกายเพียรเต็มท้นแล้วก็ลงเบาบางแต่จะลงนานจะไปลงนานก็าหายไปไหนหมดกันแล้วยังลงเบาบางแช่ยอยู่เงียบยนะุ่ง เพาะขึ้นผวังไฟให้เป็นกุศลด้วเรื่ถ้าเป็นกุศลแล้จิตเนี่ใช้ได้เพราะว่าแสดงว่าเออเครืงมนสิการแต่พระเจ้าเนี่ยพระพุทธญาตจะไม่ใช้ผวังมากเพราะอะไรรู้ไหมคือพระองคง์มีกิจเยอะมากในการที่จะต้องผงสัตว์หรือสัตว์ใช่มหมออกจากสงสารวัตรถ้าไปมัวอยู่ในผวังหรืออยู่ในพจนขนาดในสมาบัติพระองค์มีเข้าไม่นานเลยทั้งๆงที่วันหนึ่งในพระองค์จะต้องเข้าสมาบัติสองล้านสี่แสนโกรธสมาบัติจะต้องเข้าขนาดนั้นนะ บางทีในขณะที่แสดงธรรมปุบว่าไปก็หยุดปุ๊บหนีเข้าสมาบัติทันทีนะอย่าไปคิดอย่างอื่นเลยนแต่อย่างอาตมาถ้าแสดงธรรมไปปุ๊บแล้วอาตมาหยุดนี่ให้ตังกอสังเกตไว้แสดงอาตมาลืมธรรมะต้องลืมแน่นอนใช่ยังคิดไม่ออกอย่างนี้ก็ไปพิจารณาดูว่าถ้าผุุ้ชนจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าผู้ได้เจ้าเราเรารู้อัจฉรายใสท่านไม่ยากนะในที่จริงๆก็คือว่ากระแสขันของท่านเป็นไปกับปีาเนี่ย การใช้เวังเพระหวังก็ใช้น้อยมากอย่างพวกเรานี่นะบางทีเราใช้เวังกันเพลินพอเพลินเป็สเสร็จก็ต่อจากเวังเป็นอะไรเป็นอะไรต่อด้วยขวังได้จิตติได้ไหมได้ไหมได้เนาะชาวนาเวังจิตติได้ไหมชาวนาจิตติได้ไหมแต่ทาเขวังจิตติได้ไหมไมไม่เคยดำเลยแต่ทาจิตติได้ไหม ทั้งจากกุทวานตายได้ไหมตายได้นทั้งจากกุทวานก็ตายได้ทั้งสี่ะจากกุทวานก็ได้สี่โสตัธวานก็สี่ขานัตธวานยิหาทวานกายะธวานมโนทวานตายได้หกธวานสาธได้สี่อย่างเในนี้สี่กุนกเท่าไหรเนี่ยนะเท่าไรจีนหนึ่งปรมาภวังก็ไวไม่รู้ใครชินจตุติตรงนี้ก็ไม่รู้เลยนะแต่ไม่เป็นไรนะฟังคำโจตจติได้ดีไหมได้ดีป่ะแน่ใจป่ะ แน่ใจว่าเกิดแล้วก็รำเครียดน่ะฟังธรรมไปนูโอ้เขาจะมาทวงหนี้อยู่แล้วสมมติกำลังเครียดโทรศัทก็เกิดฟังธรรมนี่แหละมานั่งอยู่ในสถานที่ตรงนี้แล้วจิตติก็ต่อจากโทรศัพท์งไงโอ้ลบากเลยตรงนี้มันไม่มีใครอยากตามไปนะใช่ัหมครับ ถ, ถ้าจิตตีต่อต่อจากโทรศัทก็ไม่ดีต่อจากโลภะก็ไม่ดีต่อจากโมหะก็ไม่ดีนะแตจิตติต่อจากหมาบุศนดีไหมดี จิตติต่อจากรูปภูสุนก็ยิ่งดีใหญ่นะแต่ถ้าหว่าจุตติแล้วไม่ปฏิสุนธิประเสริฐนะโอ้เป็นปริภิภามจิตเลยปรารถนากันเล้วเดินนี่นแหละปรารถนาตรงนั้นเมื่อไหร่นะจะไม่ต้องบัญญัติขันห้าอีกต่อไปถ้ามาบัญญัติขันห้าเดี๋ยวก็บัญญัติเป็นขันห้าของเอาไบรรยา์บ้างดีไหมเป็นเปรดบ้างเป็นอสุรกายบ้างเป็นสัตว์ทะเลชานบ้างเป็นสัตว์โลกบ้าง เป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นทุกขยังประชุมขันอยู่ในภพต่างๆอยู่มันเป็นโทษมากเป็นโทษมากแล้วในที่สุดจริงมันวดไม่ได้จะต้องเจ็บปวดใช่ไหมเกี่ยวข้องกับฐานข้ามีไหมที่จะไม่เจ็บปวดไม่มีเลยนะวันก่อนดูหนังสือที่ท่านบุกการอำมาให้ดูเดูดูเรื่องปริญญาของพิจารณาถึงว่าจริงๆพอดูไปดูมาแล้วมาพิจารณาถึง เรื่องการที่ว่าไอ้ทอดของขันห้างมีเยอะเนี่ยไอ้ธรมานี่เ ห, ห็นเห็นเยอะกว่าหลายๆท่านพอต้องอะไรจับขูโรโคโซโทารโอโคลายลือเอื้อมีตรงไหนมันเป็นที่ตั้งเป็นที่ประชุมของโรคจริงๆนะลองพิจารณาดูดิลองลองดูดูจะเกี่ยวข้อที่แรกนะถ้าเราศึกษาคําสอนไม่ดีเราคิดว่าชีวิตต้องเราเนี่ยอยู่คนเดียวเหงาๆที่ไหนได้ว่้อาบายาศาส์อยู่ในเราตุกเตไมไปหมดเลยใช่ไหม ในร่างกายเูาเต็มไปด้วยบริศัสเต็มไปหมดวันก่อนยังคุยกับยอมนะบอกว่าเออเนี่ยสมมุติว่าโยมมีบ้านหลังหนึ่งมีคฤหาสน์สักหลังมีที่ดินอยู่ไปถ้าเราจะกลับมาที่เดิมเนี่ยถามว่าเราจะมาในฐานะอะไรนะจะไหมสมมุติที่ตรงเนี้ยอ้าวอาคารหลังเนี้ยถ้าเราจะกลับมาใช่ไหมเอาที่ประชมเนี่ยมนันลดอยู่ประมาณเท่าไรเนี่ยอได้สักสองร้อยสมมติหรือได้สักร้อย เชื่อไหมในอาคารหลังเนี่ยทั้งในบนดินใตด้ดินเนี่ยมีกลุ่มมาบายาศัสตร์เนี่ยไม่น้อยกว่าพันล้า น, เ, นเราคิดดูเราไม่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ยังไงใช่ไหมใช่ถ้าเราจะกลับมาเกิดหนะ้าที่เนี่ยเออเราจะมาเป็นประชากรหมู่มากหรือหมู่น้อยเอาในกรุงเทพมีประชากรประมาณนท่าไรสิบกว่าล้านเอาที่ในทะเบียนก็ไม่ถึงเียนะนอกทะเบียนประมาณสิบสองสิบสองร้อยประมาณ 1 2บสองล้านนี่เมตรแปลว่มนุษยนะ์เนาะแต่ถ้าเอาบายสัตว์เนะี่ยไม่รู้กี่กี่แสนล้านถามว่าเราจะเป็นประชากรส่วนใหญ่หรือส่วนน้อยของของประเทศนี้ <c oughs> โอกาสที่จะเป็นประชากรส่วนน้อยเนะี่ยยากมากเอาหนึ่งหนึ่งในล้านเนะี่ยพุทธเจ้าท่านอุปมาเขาและขนนะเขาโคกับขนโคนะ ฉะนั้นถ้าเราจะกลับมาใหม่เนี่ยเราก็ต้องมาพิพจารณาดูเราจะมาในฐานะอะไรเราจะเป็นอะไรเนี่ยใช่ไหมแล้วเรามั่นใจไหมว่าเราจะเป็นได้แล้วสุจริตสามเราดีเพียงพอหรือไม่ใช่ไหมเอาลองคิดดูน่ยสมมุตินะถ้าเราหยุดเดี๋ยวนี้ปุบ๊บเราก็จะมีการหยุดในการที่จะดื่มน้ํากินน้าบานน้ำกั น, น, นนะ ก, กินของบ้างกันเนี่ยเราพร้อมที่จะทําสุจริตหรือทุจริตทางกายกรรมแล้ววิจีกรรมโนกรรมไหมคร เออล้วเราไปเราไปบางคนเนี่ยเราไปพูดอย่างนี้ไม่ใช่กลุ่มศึกษาการทำทราบเปล่าไอ้ท่านที่มาบางก็ทํางเป็นเป็นกลุ่มสุดร้ายการทำในส่วนใหญ่ก็คุยกันตรงๆได้เลยก็ไม่ค่อยโกรธกันถ้าคนส่วนใหญ่นี่นะเขาบอกโอ้ยเดี๋ยวนี้ฉันไม่ได้ทําชั่วอะไรแล้ววันๆยันดูโทรทัศน์ทุกวันเนี่ยเอาสิยุ่งในอย่างเนี้นะเขาว่าเขาไม่ได้ทําชั่วอะไรเขาดูโทรทัศน์ทุกวันเขาเป็นคนดีเขาบอกงั้นนะ ถ้าเราไปพูดกับคนส่วนมากเขาว่าเออเขาถ่ายทอดเองลืมตัวไปเยวไม่ว่าคนส่วนใหญ่ก็เปิดบางไม่พระองค์ไหนมาเทศดด่าแล้วไม่ใช่เป็นไม่ใช่นะตมาพูดไม่ได้มีจิตอะไรผู้ที <hardships> <m uss HHH> so ่เห็นว่าเออคนที่จะรู้ว่าบุญหรือบาปก็ค่อยๆบอกเขาด้วยนะว่าเออโลภมันเป็นอย่างนี้มันเป็นธรรมชาติที่ติดข้องในรูปอารมณ์เป็นต้นนะถ้าโทสะนั้นธรรมชาติเขาคือประทศร้ายอารมณ์เขาไม่ปราถนาจะเห็นอารมณ์นั้นนะ ถ้าโมหะมันแปลว่ามันจะปิดบังสภาพตามความเปจริงของอารมณ์นั้นเลยเขาจะหลงเลยเขาจะไม่ชัดเจนในสภาพว่าทหล่านั้นเลยเนี่ยทีนี้ในขณะที่เขาดูถึงที่มันแสดงสนุกสนานก็เพลิดเพลินเขาแสดงเขาหัวเราะเขาหัวเราะไปตามเขาใช่ไหมเรลพาเกิดไม่เต็มที่แล้วเนาะเวลาเขาแสดงบทส่งเขาร้องไห้ไปตามว่าโอ้โทรศนยนะไม่รู้ตามความจริงอโมหะก็ปิดอีกแล้วเขาเป็นคนดีไหม คนดีเนี่ยใช่ไหมใช่แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยในขณะที่โลภะเกิดขึ้นในกระแสใจใ จ, ใจก็เป็นมนุทุจริตคําพูดที่พูดออกมาก็เป็นวจัจีทุจริตยกมือเช็ดน้ําตาก็เป็นกายยทุจริตตัวเองเขาก็ทําทุจริตสาไม่เป็นไปในขณะที่เขาดูโรลทัศน์อยู่ตลอดเวลาเนี่ยหรือในขณะที่เขาหัวเราะก็จะเป็นไปในลนักษณะอย่างนี้ใช่ไหมใช่ถามว่าเมื่อชีวิตของเขาเป็นไปกับกายกรรมวัมจีกรรมมนกรรมที่เป็นทุจริต แลกระแสขันของเขาที่เป็นไปกับทุจริตตลอดตั้งแต่เช้าจะหลดเย็นเนี่ยถามว่าเขาสมควรจะไปพบไหนเออเขาสมควรจะไปพบไหนหรือสมมุติถ้าเราสมมติถ้าเราเป็นไปในลักษณะอย่างนั้นเออเราก็ทำนายก็ต้องดูหมอดูทําไมหมอดูทำนายไม่ว่าเราจะไปสุคติไม่ต้องไม่ต้องไปหาที่ไหนแล้วใช่ไหมใช่เมื่อก็มาพิจารณาอย่างเนี้ยเราก็จะเห็นว่าโอ้เนี่ย บางทีก็ต้องมาพิจรารณาเลยนว่าถ้าเราดูอย่างพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าขนาดกรรมประเภทจะถึงตามองคนยังไม่ถึงเวลาจะมองคุณก็มองด้วยสายตาเป็งที่รักมีความรักมีความปรารถนาดีมีความเอื้อตอนเอเราเคยไม่มองลูกน้องด้วยความโกรธใช้หางตามองใช่ไหมเอออย่าแปลกใจใช่ไหมถ้ามนุษย์เราเกิดมาในตาจะไปงามเยี่ยมยังเออเพราะเราทํากรรมตาที่ไปงามเยี้ยมไ เอบางทีเราก็ใช้เราไม่ได้ด่าออกมานะ่แต่ใช้ใช้ตาด่าเคยทำไหมล่ะเพราะบางคนก็อยู่ในฐานนะที่ไม่ด่าตอบไม่ได้ด้วยเพราะสถานการณ์ถูกบีบบงครับยอมบูชายบางคนอาว่าเราเราพูดไม่ได้ก็ใช้ตาด่าก็ได้ก็คือมองเฉยๆจนนึกด่านิจใจเห็นไหมวะนั้นถึงบอกว่าถ้าเราไปดูในสัมประชัญยบบอกดีไหมถ้านันท่าเนี่ย ไปดูในในสัมปชัญญะในฐานะเจ็ดในสติปัฏฐานเออพระนันท h a เวลาจะมองทิศเหนือทิศใต้ ต, ตะวันออกตะวันตกเป็นต้นเนี่ยท่านจะมานสิการก่อนว่าการมองของท่านเนี่ยเลี้ยวซ้ายแลขวาเป็นต้นเหล่าเนี้ยออจะเป็นไปเพราะบาปอากุศลธรรมมันลามุกจะเกิดไหลท่วมทับกระแสจิตของท่านมั้ยเออท่านมนานสิการขนาดนั้นนะถ้ารู้ว่ามองไปทางทิศเหนือทิศใ ต, ใต้เป็นต้นเนี่ยนะ าหากบาปอกุศลธรรมันลามมกจะไหลท่วมทับกระแสจิตของท่านท่านจะมณฑสิการจักไม่มองตรงทิศ น, นั้นเลยเพราะมองไปแล้วจะเกิดความเสียหายของท่านมองอย่างนี้นะแปลว่าท่านมณฑสิการท่านไข้ควรตลอดเวลาคนแบบนี้ท่านกรุณาตัวเองน่งท่านไม่เบียดเบียนตนเองท่านไม่ทำทุกข์ให้กับตนเองในอนาคตหนึ่งใช่ไหมกระแสขันที่จะต้องไปรับทุกก็คือกระแสขันที่มันสืบเนื่องไปจากกระแสขันขันนี้แหละเพราะกระแสขันมันยังไม่ปริมิพานยั่มันก็จะต้องสืบต่อไปเป็นสังสารวัฏ ที่การเกิดขึ้นติดต่อกันโดยไม่ขาดสายของขันในยตนาธาอันนั้นเรียกว่าสังสารวัตฉะนั้นสังสารวัตรที่มันจะหมุนไปก็จะหมุนไปรับกุศลกรรมบ้างกุศลกรรมเป็นต้นมันยินเป็นไปอย่างนี้ฉันอย่าลืมว่าเราทั้งหลายไม่ว่าจะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนจะคู่จะเหยียดจะก้มจะเงยเนี่ยเราก็ทำกรรมกันทุกขนาดจิตแม้ขนาดพระที่กําลังกล่าวว่า้ตามอยู่นี้พระก็ทำกํำรามอยู่ ไม่ทำกรรมน่ยกรรมที่ทําแต่ละครั้งอย่างเช่นที่กล่าวเปล่งว่าทีออกมาแต่ละครั้งกายกรรมก็มีการเคลื่อนไหวใจก็คิดเป็นไปตามว่าทำคำสอนแต่ละครั้งเนี่ยจิตนั้นก็เป็นไปกัดว่าทำคำสอนในขณะนั้นทำกุศลกรรมอยู่นะในกุศลกรรมนั้นเป็นทั้งทิฏฐาธรรมเวทยกรรมนะทั้งอุบาชะเวทยกรรมแล้วก็เป็นอัปปราพราเวทยกรรมนะถ้าเป็นทิฏฐาธรรมเวทยกรรมให้ผลในปัจจุบันนับพบเนะถ้าเป็นอุบาชะเวทยกรรมให้ผลในพบถัดไปเ่าสิ ถ้าเป็นอ布拉布拉เวทีกรรมก็ให้ผลในโพสที่สามเป็นต้นเลยเนยนะบางอย่างก็เป็นอวสิกรรมก็ว่าไปจิที่หมดโอกาสให้ผลหรือเเวลาให้ผลหรือว่าเพราะกระแสขันนั้นปรีณนไปแล้วก็เป็นอวตสิกรรมไปก็นั้นก็ไม่ว่าเป็นีแต่สรุปก็คือว่าการกระทาทุกอย่างนีถ้าเราระโยควิบัติยุ่งเนื่องวันก่อนคุณโยมก็การยังสน่งนงนั่งนั่งนั่งนั่งนันั่ัน ทานสาวท่า น, านไอ้ประโยคน์คะสมบัติประโยคเขาวิบัติหนึ่งสำคัญนะอาณาจักรสคัญนี่สำคัญมากๆเลยสำคัญเจอมั้ยเออสาคัญยังไงบอกว่าบางครั้งเนี่ยกรรมในอดีตจะให้ผลยังไงก็เป็นเรื่องของกรรมในอดีตซึ่งเราไปแก้ไขไม่ได้แต่ถ้าอากุศลกรรมให้ผลถ้าเราประโยชคะที่ถูกต้องมันก็ไม่เปไ็นไรเจอมั้ย พรประโยชน์คดีถูกต้องก็แปลว่าเราเจริญกุศลกรรมในขณะที่เรารับอกุศลกรรมใช่ไหมกรรมมีสองส่วนเนี่ยกรรมใหม่กับกรรมเก่าในกรรมเก่านั้นกาแฟเขาก็ผลิตวิบากของเข้าไปแต่กรรมใหม่แปลว่าเรากําลังทํานะทีนี้บางทีเนี่ยเราไปประโยคะวิบากยุ่งเลยเดี๋ยวนี้พอไปประโยคะวิบากจะยุ่งแลไปเปิดโอกาสให้อกุศลกรรมที่ไม่มีโอกาสให้ผลก็มีโอกาสให้ แต่ถ้าประโยการสมบัติมีกุศลกรรมที่มีโอกาสให้ผลเขาประจับให้ผลใช่ไหมอย่างยกตัวอย่าง เ, าางเช่นไครเคยทอไหมพี่เราสอนลูกน้องเราสอนลูกเราแนะนำเพื่อนฝูงเขาก็ไม่เคยรับไม่ตรีจิบจับเราเลยเนี่ยทอแล้วใช่ไหมแต่สาวกของพระเจ้าไม่ทอเนะ่ตอนสมัยหลังพุทธกาลและตอนที่ทำปฐมสังคยนาผ่านไปแล้วใช่ไหม แล้วมาถึงยุคเอือทุติยะสังขยนาก็บาดไปแล้วด้วยตอนถึงพระสิขาะพระสิขาะเถระกับพระจันทวชีที่ท่านโดนสงลงธนกรรมท่านบอกว่าเนี่ยข้อของการที่ท่านไม่เอาธุระพระในพุทธศาสนาเนะอยสงก็ลงธนกรรมท่านพอลงธนกรรมเบีเสร็จแปลว่าอะไรแปลว่าวันนี้พระสงฆ์ผ้าหลังสาวกทั้งหลายโดยท่านไปราชนาติสธ ร, รมมาให้ถือปฏิสนธิในทันของนางพระมณี ที่นางพระมณีเนี่ยก็ เ, เป็นมิจฉาทิฏฐิด้วยตระกูลนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิด้วยแต่ท่า น, นยมีหน้าที่นะท่านสองโลกเนี่ยมีหน้าที่ในการที่ไปเอาเด็กคนเนี้ที่จะมาเกิดเนี่ยเอามาบวชให้ได้เอาสิเลยเนี่ยท่านรับภาระท่านก็ไปแล้ ว, ล ว, ลวท่านก็ทำประโยชบบน์ข้าบวชท่านไปเรื่อยๆนี่นะท่านก็เพียรพยายามในการที่จะทําไปเรื่อยๆเขาไม่เขาไม่สร้างเมติให้เลยเขาไม่ให้เมตรีเลยอะไปรอรับวินาบาต ท, ทุกวันปีนึ่งเท่านั้น สามร้อสิบห้าวันใช่ไหมนี่เจ็ดปีอะเดินไปทุกวันไปรอรับบาตรทุกวันทุกวันคิดดูดิกว่าที่จะมีพระไตรปิฎกสื่อทอดมาถึงพวกเราให้ศึกษากันเนี่ยลองนึกถึงอุปการะของข่านนี้เอาเอาแค่ okay, ว่าพระสาวกฤติยังหลังนี่ตัทยาสังขยานาเนี่ยท่านท่านพระศิวะเทวราชเนี่ยท่านต้องเดินไปทุกวันคิดดูเดินไปเพื่อเจ้าเด็กคนนี้มาบวช เพื่อจะให้เด็กคนนี้มาบวชแล้วก็ได้ศึกษาพระไตรปิดกและบรรลุธรรมแล้วก็จะได้ทำตติยะสังขารนาที่จะเกิดขึ้นในสมัยที่จะมีอรชีพร้อมบวชในสมัยพระเจ้าโสมมาลัคนะท่านต้องเพียรพยายามขนาดนั้นนะเจ็ดปีนะเจ็ดปียนะังไม่พอเนยะต่อมาพอไปได้เด็กมาแลว้วเบ็ดเสร็จเนี่ยนะนะแล้วก็ยังเอาเด็กมาอบรมมาพ่ฆามสอนอีกประมาณสิบหกปีลองคิดดูเงี้นะแล้วมาพิจารณาดู ถ้าหากไม่เพียนถึงเจ็ดปีเนี่ยกุศลจะได้ช่องไหมจะไม่ได้ช่องนะฉะนั้นถ้าเราจะเพียนเราจะอบรมเนี่ยนำใครต่างๆถ้าเขาไม่เอาอ้าวไม่เอาแรงต่างอย่าเพิ่งไปทอ้อเพียนไปฉะั้เพียนไปเรื่อยๆมันจะต้องบุญกุศลมันจะต้องเปิดโอกาสสักวันหนึ่งใช่ไหมเยลยพูดไปเลยตะลิดเห็นัหมไม่มีใครท้าอาจมาข้อห้ามเลยมีืเป่ึ้งนงได้นะี่ยอาจมาเป็นแบบ น, นี้เตรียมเรื่องมาแล้วไปคนเรื่องเล เอาข้อที่ห้าเมื่อกี้ข้อสามตามพิงโดยใจไปแล้วนะเออข้อสี่พระศาสดาหรือเพื่อนพมจารีผู้ตั้งอยู่ในฐานะครูไม่ได้แสดงธรรมแก่คือแก่ภิกษุนะแม้ภิกษุก็ไม่ได้แสดงธรรมตามที่ได้สลับตามที่ได้เรียนมาแก่ผู้อื่นโดยพิศดานีและไม่ได้สาธยายธรรมตามที่ได้สดับตามที่ได้เรียนมาโดยพิสดารด้วยและก็ไม่ได้ตรึกตามแล้วก็ตรองตามด้วยตามพิงโดยใจตามที่ได้สลบดับตามที่เรียนมาโดยพิสดารด้วย แต่เธอเรียนสมาธินิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งมาดีมานสิการดีทรงจำไว้ดีก็แทงตลอดด้วยปัญญาเธอเป็นผู้รู้แจ้งอัฏฐารู้แจ้งธรรมะท่าม ท, าที่เรียนสมาธินิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งมาดีมานสิการมาร ด, ด, ทดีทรงจําไว้ดีก็แทงตลอดอด้วยปัญญาเมื่อรู้แจ้งอัฏฐารู้แจ้งธรรมะแล้วย่อมเกิดปราโมทปราโมทก็เป็นปัจัยเกิดปีติปีติเป็นปัจัยเกิดปสัสสติ ปัจสถาเป็นปัจจัยเกิดสุขสุขก็เป็นปัจจัยเกิดสมาธิอันนี้ก็เป็นวิมุตตายตนะข้อสุดท้ายเนี่ยนะคําว่าเรียนสมาธินิมิตตังเนี่ยตถกถานขยายว่าได้แก่อารมณ์สามสิบแปดก็คืออารมณ์ของสมาธินิมิตตังก็มีพกกระสินกสินอสุภาโกฏิาอานาปานาปิยามนาสุขิทัสสทุกิทัสสตรรุแต่ว่าเรียนกรรมฐานอ่าเรียนสมาธิกามฐานวิปัสนากรรมฐานมาดี พอเรียนกรรธรรมะกรรมฐานมิปสนากรามรมฐานมาดีเบ็ดเสร็จแล้วก็นั่นแหละเดินสายนิมิตเหล่านี้เลยและในที่สุดจริงๆก็รู้แจ้งอัตถะธรรมะในที่สุดจริงๆก็ปราโมทปีติปัสสติความสุขสมาธิยะถาภูจายานัทสนานิาาพิจารเวลาภาวิมุติโกรธขึ้นเลยเป็นไหมบรรลุได้สรุปแล้วก็คือมีมุตา ย, ยตนาเหตุแห่งการหลุดพ้นมีเท่าไหร่ห้าประการเอาข้อไหนดีจังเลยย่าใส่ไว้ จะเอาะจะเอาฟังธรรมได้บรรลุหรือจะเอาสแสดงธรรมบรรลุหรือจะเอาสาธยายหรือจะเอาตรึกธรรมแล้วบรรลุหรือจะเอาเรียนกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็หลีกเล่นแล้วก็ให้บรรลุไปเลยเอาเอาข้อไหนสรุปแล้วการบรรลุแคบหรือไม่แคบห้าอย่างยังแคบหรือไม่แคบ น, นเนี้ยฟังธรรมดีแล้วได้บรรลุเนี้ยสรุปแล้วก็คือว่าโอกาสบรรลุมีไหม มีนะบางคนเขก็ตั้งอัธยาศัยไว้นะบางคนอย่างเนี้ยบางคนตั้งอัธยาศัยจะขอบรรลุในการฟังสติปัฏฐานสูตรบางคนก็เนี่ยทาไปจากก็เพราว่าจริสูตรคือพระสูตรทุกสูตรนี่นะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเนี่ยสักโลกได้บรรลุกันหมดไหมได้บรรลุหมดหรือไม่หมดทุกสูตรเนี่ยจะต้องมีสักบรรลุหมดเลยเนี่ยบางทีมนุษย์ไม่ได้บรรลุเทวดาบรรลุนะเทวดาไม่ได้บรรลุพรหมก็ได้บรรลุเป็นต้นนั้นเองเอาทนี้เข้าหลักด้วยีนะ หลักก็คือวันนี้จะแสดงในเรื่องของสามัญญหคนยโสสงสัยไม่จบไปย้อนสวนก็มาขนาดนี้แล้วไปแล้ว เ, ออเป็นไรนะสรุปสรุปมาใช้คดีเป็นก น, นเนัดแสดงไม่จบเนี่อาก็ดูดูที่ย่อๆออมาเนะย ที่ย่อยย่อไหมเออในสามัญผลญสูตรเนี่ยนะชื่อพระสูตรก็คือสามัญยะผลยสูตรลำดับก็เป็นพระสูตรที่สองที่พรบรมศาสดา์อือที่ก็ะธรรมสังฆาจารย์นำมาเรียงไว้นะต่อจากพระมัารสูตรในสูตรนี้ไม่จะเป็นสูตรที่สองที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงนะใช่ไหพระสูตรแรกที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงนั่นคือธรรมะจักขบวตันสูตรใช่ไหมถ้านับเป็นสูตรจะยาวเลยเนะ ไม่นับป ก, กิอากาศเทศนานะถ้าสูตรที่สองก็คืออะไรอนัตตลกันะสูตรที่สามคืออะไรจำไม่ได้แล้วแล้วก็เมื่านับเป็นสูตรนี่นับยากไม่ที่สแสดงแกยะศาสตคุณระบุใช่ไหมพร้อมด้วยอีกเพื่อนสายแล้ก็ได้ไปรู้กันกนะพระพุทธเจ้าเป็นผู้สแสดงนี่นะผู้ฟังก็คือพระเจ้าชาติสตูแล้วก็ คลายจับริบาลพร้อมที่คึกสูจหนึ่งพันสองรอยสิบรูปวันเพ็ญเดือนสิบสองพบข้ามที่สวนาาวนางประวานของหมอชีวกกุมารพัช ก, ก็สร้างเป็นวัดนะเขาเรียกว่าที่กรุงราชจจคลึกก็คือวัดเวรวนอนสมัยก่อนเนะี่ยคำว่าวิหารเนี่ยก็เรียกเป็นชื่อวดัดถ้ามหาวิหารเนี่แปลว่าวัดใหญ่เนะี่ถ้าวัดเล็เกๆก็เรียกวิาวหารธรรมดาปัจจุบนันนี้วิหารกลายเป็นที่เก็บพระพุทธรูปไปเลย <c oughs> เออแปลกดี สถานที่ก็คือสวนอัมพวันของหมอชีวโกมาราพัฒน์เมืองราชเกรือสาเหตุก็คือพระเจ้าอาชาติตูถามถึงความสุขที่จะพึงได้จากการออกบวชอันนั้นก่อนในสาราชต้นนั้นก็ประวัติท่องฟูทั้งหก ก, ก็ไม่ต้องไปตามไปดูอยากดูรายละเอียก็ดูนี้นะพก็ไปไปไล่รายละเอียดเยอะเลยจนมาม า, มาพิจารณาตรง น, นี้บอกว่าพระเจ้าอาชาติตูเนี่ยท่านทําติดุฆา คือข่าคอคนทํากรรมหนักขนาดนั้นเลยนะพอทํากรรมขนาดนั้นก็ความสะดุง้งนอนไม่ได้หลับไม่ลงพอหลับแล้วก็สะดุง้งหลับก็สะดุง้งคนที่ทําบาปหนัหนกๆก็จะเป็นอย่างนี้และอย่างก็คือว่าท่านไม่กล้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเหตุที่ไม่กล้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็เก่งเพียงเพราะว่าพระเจ้าเป็นพีสารนี่เป็นอุบาสกและเป็นพระโสดาบันนี่ เป็นพระราชบิดาที่ตนเองไปทํากรรมหนักกับพระพุทธเจ้าแต่เธอสรุปง่ายๆก็คือไปเล่นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าเลยเล่นภิกษุเลยใช่ไหมเลยภาริกะเล ย, เลยภาลิกะเนี่ยเพราะพุทธเจ้าตรัสบอกว่าส ม, มณะที่หนึ่งสมณะที่ 2, สองสมณะที่ 3, สามสมณะที่สี่มีอยู่ในศาสนานี้ใช่ไหมพระเจ้าตรัสแต่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายใช่ไหมภิกษุในศาสนาเนี่ย เขาก็พิสูจในศาสนาเนี้ยหมายความว่าพระโสะดาบันตัศกาทาคาบานาคาพัดงานมีอยู่ในศาสนานี้เท่ามาศาสนาอื่นนั้นว่างจากสมณะผู้รู้พวกถึงก็แปลว่าในศาสนาอื่นนั้นไม่มีพระโสะดาบันเป็นต้นเพราะอะไรพระองค์ก็ชี้แจงบอกว่าในศาสนาอื่นไม่มีอริยมรรคโยมใช่ไหมท่านไม่ประกาศอริยมรรครโยมแปดไม่ประกาศสิกขาสามไม่ประกาศสาุนทรสมาธิปัญญา ไม่ประกาศปฏิปทาข้อปฏิบัติให้เข้าถึงมณรคานใชนะาศาสนาอื่นจึงว่างเปล่าจากสมณะผู้รู้ทั่วถึงก็คือว่างเปล่าจากพระโสดาบันเบ็เด่นผู้ปฏิญาณจะตรัสธรรมนั้นเองนะแช่นั้นจะบอกว่าภิกษุในาศาสนานี้ก็แปลว่าพระองค์มายืนยันเลยว่าในาศาสนาของพระผู้มีภาะเจ้าเท่นั้นที่มีพระอริยบุคคลมีภิกษุทีนี้แล้วพระเจ้าชาติตูเนี่ยท่านทาปี่ตุกคฆาก็ลองคิดดูดีว่าโอแล้วก็รู้ไหมรู้ทําไมจะไม่รู้เนี่ย ในส่วนจริงก็นั่นแหละบาปกรรมนั้นก็ทาให้พระองค์นั่นแหะสะตุงแล้วมีความทุกข์มากมาที่พอความทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ก็แสดงเสนอต่อที่ประชุมเหล่าเสนาหมาบอกว่าเออเนี่ยท่านผู้ใดทัานมีอาจารย์ที่สามารถที่จะดับทุกข์ในใจของเราได้ไหมว่าแม่นะบรดาลูกศิษย์ทั้งครูทั้งหกก็แสดงทัศนะของอาจารย์ของตนเองเต็มไปหมดแล้วในส่วนจริงพระเจ้าชาติตูวก็ไปนะ ไปหาครูทั้งหกเนี่ยตั้งแต่มาตาอนนี้โพสาลอาจาตาเกศจำเปนสันชัยเวราก็บุตกประปุถะกัจจายานานี่โคว น, นาตะบุตรเป็นต้นเนีจะถึงสันชัยเวราก็บุตไปหมดในที่สุดจริงๆก็อย่างว่าก็ผิดหวังกลับมาแล้วแล้วโกรธไหมโกรธแต่ก็ไม่ไม่ประทุสร้ายเขาตัวเองเป็นว้โยเป็นจ่ิงเนี้ยก็ทําไมไม่โกรธไปถามเรื่องหนึ่งก็ไปไปถามอีกเรื่องพวกก็ไปตอบทิฏฐิเลยไปตอบร้ชทีขอนศรีเงไปกูละเรื่องเลยเคย เราเคยอยู่ที่บ้านเคยคุยกันคนละเรื่องไห <c ười> คุยเฉียงอยู่เรื่องเดียวกันไม่เคยตกลงกันได้เลยนั่นแหละมันเป็นแบบนั้นพระเจ้าชาติาาาตัวเขเหมือนอย่างเดียวก็เข้าไปก็ไปถามอีกเรื่องหนึ่งฝ่ายพวกนั้นก็ประกาศทิฐิของตนเองออกมาันมันโกรธนะไอ้คนที่ต้องการอยากจะรู้อีกเรื่องหนึ่งก็อีกก็ไปประกาศทีฐิของตนเองมาอีกเรื่องก็เหมือนเวลาเราคุยกับแม่บ้านหรือพ่อบ้านอยัง แล้วคุยอยู <Amen> ่เรื่องเดียวมาในแท้คุยกันทั้งวันทั้งคืนมันไม่เข้าใจอี่ผู้บ่าวก็รุ่นรุ่นนั่นแหละเหมือนมีคนจะทุกใจในในสูตรเนี่ยนะท่านแสดงในรักษณะบอกว่าเมื่อพระเจ้าอาชาศัตรูเนี่ยนะไปหาครูทั้ง6กเริ่มตั้งแต่ดังที่ได้กล่าวเราบอกว่า ปุรนาคกัสปามคคาริโคสาราชิตาเกตกัมพลปกุท่กัจยาณะนิพนาศบุตรแล้วก็สัญชัยเวรแล้บุตรพอเข้าไปก็ไปเจอรัตที่ถ้าเราดูในรายละเอียดในเอกสารเนี่ยนะที่ที่แจกไปเนี่ยก็จะเห็นชัดบอกว่าในสมัยก่อนเนี่ยไม่ใช่เขาไม่มีความรู้กันนะบางรัตที่เนี่ยมีความรู้ขนาดสุดตรงเลยนะชนิดที่เห็นในความเป็นดินน้ำใบลมเลยเห็นเป็นสุขโทษก็เห็นเป็นชีวาเห็นเป็นวิญญาณไปเลยชนิดที่ว่า เห็นว่าการฆ่าไม่เป็นบาปเนี่ยหินทะลุทะลวงไปขนาดนั้นเลยนะเห็นว่าเออการเอาศาสตรารวศเนี่ยไปฆ่าอย่างเนยไปฆ่าเนี่ยก็ไม่ได้มีการฆ่าอย่างเนี้เลยนะก็คือดินน้ำไปลมที่ไปแทรกเข้าดินน้ำไปลมแล้วก็ทําให้ดินน้ำไปลมกระจายไปแค่นั้นเองฉะนั้นการฆ่าจะมีที่ไหนหรือศัตผู้ฆ่าก็ไม่มีผู้ที่ฆ่าก็ไม่มีเป็นต้นเหล่านี้ยเออถ้ามองไปนี่สุดตรงกระตายมาๆเหมือนคล้ายโคตจริงจริงเลยนะ แต่มันคล้ายพูดแต่มันเลยทงอย่างนี้มันเลยทงแท้จริงพุทธศาสนาสอนเรื่องธาตุไหมสอนเรื่องดินน้ําไฟลมนี่นะสีกิรลดโวชาธาตุสอนในเรื่องของอวิธิโพก็รูปสอนเรื่องดินน้ําไฟลมนี้สอนนี้เอ่อการประชุมกันของขันนี่ไหมการประชุมกันของรูปขันเวทนาสัญญาตั้งการวิญญาณเมื่อการประชุมกันของขันห้าเกิดขึ้นมาการสมมติว่าสัตว์บุคคลก็มีขึ้น เมื่อขันห้ากันแต่ขันห้าแตกสลายไปแล้วไม่มีการประชุมของขันห้าอยู่แล้วการสมมติบัญยัติว่าศัพท์ บ, บุคคลเหล่า น, นั้นก็ไม่มีแต่จริงๆเขาองค์สอนเพื่อให้เราวิจัยเพื่อวิจัยที่จะเพิ่มเพือจะถ่ายถอนบัญญัติให้ได้ยังไงว่าเออเนี่ยทั้งบัญญัติก็ดีทั้งปรมัจิตก็ดีนะเป็นที่ตั้งของมิจฉาทิฏฐิได้ไหมเป็นที่ตั้งของความหลงเป็นต้นได้พระ อ, องค์ก็สอนต้องการจะวิสให้วิจัยด้วยนะฉะนั้นในพระสูตรนี้ยนะ มาสรุปตรงนี้ท่านก็ จ, จะสอนในเรื่องของเทศนาเนี่ยก็พูดถึงในเรื่องของประโยชน์สุขขั้นต้นในประโยชน์สุขขั้นต้นก็คือการได้รับความสุขจากการได้รับนักถือจากพระราชาเมื่อพระเจ้าชาติรูกา่าบถูนึกการที่ไม่ไม่ตรงประเด็นของเจ้าดิเรกฉีทั้งหกแล้วเนี่ยผู้ทีเจ้าประจักษ์ถามว่าเนือเยื่อตรงนี้นะ สมมุติว่าถ้ามีบุรุษข้าหลวงคนใดคนหนึ่งนี้ปกติถึงก่อนนอนทีหลังคนมีบัตรรับใช้อย่างตรงต่อเวลาเนี่ยได้พิจรารณาความแตกต่างของมนุษย์เนื่องโดยการทําดีจึงเผินประโยชน์ในการออกบวชแล้วก็ออกบวชสวรวมอินทรีย์อย่างสม่ําเสมอ ส, สันโดษในการใช้สอยปัจจัยมีจีวรเป็นปต้นยินดีในที่เ ง, งียบสงัดหากมหาบพิษทรงทราบเรื่องนี้แล้วจะให้เขาลาสีขาวมาทําหน้าที่เหมือนเดิมอีกหรือมัพระพุทธเจ้าก็ตัางออกมาบอกว่าเออเนี่ยถามบอกเออ ประโยชน์ที่มันได้จากการบวชเป็นอิสระจริงไหมเป็นมีความสุขจริงไหมเป็นต้นอะไรเนี่ยนะพระเจ้าก็ตั้งปัญญานี่พระเจ้าชาติศัตรูก็บอกว่าไม่จะไม่รับกลับมาแล้วถ้าพระองค์จะทำความเพารกักกาบว่าคนนี้บัตรรับใช้แล้ยังถวายปัจจัยสี่เป็นต้นด้วยพระเจ้าก็ะถามานี้ถือว่าเป็นพลานิสง์การออกบวชได้ไหรือไม่อันนี้เป็นถามเป็นา น, นิสง์การออกบวชได้ไหม พระเจ้าชาติโตโกบอกว่าได้อันนี้ก็เป็นข้อแรกใด่ไหนก็บอกมีเนียข้อแรกที่เรถามไปลักษณะนเนี้ยาการต่อมาก็คือข้อที่สองข้อที่สองก็บอกว่าจะมีอีกไหมบอกว่าพระเจ้าโกกัน อ, อันนี้เป็นงานอุทิศการออกบวชข้อแรกต่อมาก็คือเป็นทวดิยะเป็นข้อที่สองแห่งสามัญในีนะผลจะสุดเนี่ยได้รับอิสระภาพจากพระราชาก็คือคนที่บวชมาแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องพระเจ้าตรัสว่ามหาบทพิจารรมภาพนี่นะ ข่าวต่อไปว่าจะต้องขอสักถามมหาปิทยาลอีกบอกว่าถ้าหากว่าให้ตรัสต่อบตามอัจฉริยะใสาสมมติว่าถ้ า, ามีชาวนาผู้นึงเนี่ยนะที่ต้องเสียภาษีที่จริงจะเป็นชาวนาก็ได้หรือว่าพ่อค้าไปชาวชนโดยทั่วๆไปก็ได้นะจะทําธุรกิจหน้าที่การงานอะไรก็ได้พอเกิดศรัทธานี่ก็ทําคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วต่อมาออกบวชเนี่ย ออกบวชแล้วเนี่นะประพฤติปฏิบัติมีการสำรวมระวังเป็นต้นเหล่านี้ยสำรวมมีสีประพฤติปฏิบัติแล้วก็สันโดษด้วยปัจจัยตามมีตามได้เป็นต้นแล้วบอกว่าเ อ, ออเนี่ยพระราชาจะรับสั่งให้เข้าลาข้าออกมาหรือไม่ก็จะได้เพราะว่าคนคนนี้อยู่แล้วจะเก็บภาษีได้เยอะใช่ไหมยิ่งคนทำธุรกิจเนี่ยทั้งทั้งหลวงเนี่ยนะทั้งภาครัฐเนี่ยก็เก็บภาษีได้เยอะใช่ไหมคนมากด ค, คนคนนี้ทิ้งธุรกิจแล้วไปบวชเนี่ยลองคิดดูด้่ยสมัยขั้งพุธกาลเนี่ย นักธุรกิจเนี่ยพ่อค้าประชาชนระดับทุนสูงเนี่ยบวชเป็นเยอะเหมือนกันคือท่าเราไปดูตอนที่ทำประศรถสังภายนานั่นที่พระมหาคสปานี่ท่านมาอาบปะท่านบอกว่าประชุมพระสังฆเถระเจ็ดแสนลูกเป็นพระสังฆเถระเนี่ยไม่นับที่ลูกศิษย์เนี่ยก็แสดงให้เห็นชัดว่าถ้าประชุมกเป็นหลักแล้ว ถ้าใครไปสถานที่พุทธิพานของพระพุทธเจ้าที่กุสินาราใช่ไหมระยะทางสิบกิโลเมตรเนี่ยนั้นเนี่ยคือที่พระสอง์อยู่ชุมนุมกันในวันเสด็จดับขันธพุทธิพานของพระพุทธเจ้าอันนั้นนับแบบน้อยที่สุดนะบสิบกิโลเมตรถ้าให้อย่างคร่าวๆอย่างเราจะลองคิดดูว่าเฉ พ, พาะพระเนี่ยฟาก็ไปเป็นหลักร้านเนี่ยนะแล้วภิกษุภิกษุเออภิกษุนิบาโบาลิกาไม่นับเทวดาพรหยังไม่นับอีกลองคิดดูเถอะพื้นที่อะมิเต็งไปหมดเลย เผลอๆเนี่ยยันกรุงเทพมานคนรตัวนี้อันนี้พูดถึงเทวดาและพระอง น, นี้เป็นต้นนะนะบอกว่านักชาติจีตรงนั้นนะะถ้าเราไปเหยียบย่างในที่นะตรงนั้นเรามาพิจรารณาดูดิว่าพระอรหันต์ก็ดีพระอริยะบุคคลก็ดีนี่นะหรือว่าสาวกของพระเจา้าในครั้งนั้นก็ดีนี่ไปชุมนุมกันอยู่นักการทําปชมเพลิงโขนพระเจ้านั้นะจับมากมายสักขนาดนั้นเพราะตังก็คิดดูอ่ะในยุคนั้น่ะวัดล้างหมดเลยใช่ไหม ไม่ว่าจะเป็นวัดเชตาวันก็ดีวัดเวรุวันก็ดีหรือวัดเยอะแยะหมดในในกรุงราชคจ้าจคอหนึ่งสิแปดวัดก็ล้างแล้วในเชตาวันมหาวิหารไปวัดไหนล้างหมดสังเกตตอนไหนสังเก ต, ตที่ตอนที่มีการเผาบรมศพของพระพุทธเจ้าแล้วแล้วก็มีการแจกพระบรมส า, ารีเลขาธาตุแล้วท่านพานนท์ก็นําบาทดตะกีวรของพระผููมีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่หนึ่งหลังจากประชุมประชุมนัดหมายกันแล้วว่าจะทำกระถมสังขยนาที่กรุงราชเจ้าจคอใช่ไหม บอกว่าท่านทั้งหลายกลับไปทํากิจทุราหน้าที่ของตอนเองให้เรียบร้อยเนะใครมีกิจในการที่จะไปอุปถัมภ์เยื่อเย็นอุปชาฌาหรือดูแลพ่อแม่เจ็บป่วยเล่นต่างไปทําให้เสร็จในภาษานี้เราจะจำภาษากันที่กรุงราชคลื่แล้วก็จะทะะาําปฐมสัมคยานาเพราะงั้นนะถานอนพร้อมด้วยลูกศิษย์นะแล้วก็บาปพร้อมได้บาปได้จีวรหรือบารและจีวรประ จ, จารลิกหลีกไปเพ่อจะไปที่เชตวันเมียวเนี่ย ในระหว่างที่เดินตามไปนั้นใครเห็นผ้าโนนไปที่ไหนก็พาขนส่งทบไม่ก็ประชาชนก็ดีภิกษุก็ดีอุบาสกบาสิกาอันนี้ก็มีจํานวนมากขึ้นมากขึ้นใช่ไหมใครเห็นผ้านนก็ไปถามผ้าโนนกล้าแจกผ้านนผู้เจริญตามปกติแล้วเนี่ยเห็นพระพุทธเจ้าที่ไหนเห็นผ้าโนนที่นั่นเห็นผ้าโนนที่ไหนก็เห็นพระบรมศาสดาหน้าที่นั่นใช่ไหมเอาวันนี้พระบรมท่านผ้าโนนเอาพระบรมศาสดาของพวกข้าพเจ้าไปไว้ที่ไหนผ้านรองไห ใช่ไหน่าสะเทือนใจตอนนั้นผ่านโดนจะเป็นพระโสดาบันโดนใช่ไหน่าสะเทือนใจไหมเล่า ว, ว่าเือไปที่ไหนคนร้องไห้นเต็มหมดจากต่อคนเท้า ข, าขาัาบพระบงองค์นี้บาปบาปหยุดเนี่ยพอรู้ว่าพระบรมศาสดาสเสด็จดับขันธปรินิพานแล้วจะเป็นบุตรชนเนี่ยทันทีแล้วพี่โอ้เราเกิดมาทันก็บรมศาสดาไม่มีโอกาสได้ฟังธรรมบางคนมีโอกาสได้ฟังธรรมไม่สามารถแทงตลอดอริยาาสัจเป็นพระโสดาบันเป็นต้นได้เราไม่ได้ไปฏิบัติบูชาพระผู้มีพภาคเจ้าจึง ยังสามารถทํากระแสขันให้ตัวเองของตัวเองให้บรรลุอริยามรรคอริยบุเป็นต้นได้ก็เสียใจใช่ยยงไหมบางกลุ่มก็เป็นไปในลักษณะ น, นั้นอพอมาที่เชตวันมหาวิหารเนี่ยพระอนุนี้ท่านเป็นผู้มีสติบริบูรณ์มากใช่ไหมสติท่านดีมากก็ขนาดว่าทาคําสอนของผู้เจ้าแปดหมืี่พันพ ร, นนระธรรมขันธ์เนี่ยประโดุจอยู่ปลายลิ้นท่านกระดกลิ้นลงมาจะเป็นพระธรรมคาสอนของผู้เจ้าหน่ยแล้วพระอนุนี่ฉลาดนี่อัตถะและพนนนล ย, ละยันชนะใไหฉลาดในคําเบื้องต้นทากลางและที่สุดขนาดฟังฟังก็ คำสอนของพระเจ้าเรื่องต้นเนี่ยท่านพระนร น, นต่อได้จริงทะลเนี่ยถ้าฟังด้านฟังสุดยศตัวอย่างเช่นว่ายังกินเจตสมุทรทายธรรมังตะปันตังนิโรจะธรรมมันสงเงี่ยในธรนรมะจักรวัดดอนสุขเนี่นะท่านพระนรนไล่ย้อนขึ้นมาได้จนความแรกเลยเนี่นั่นคือพระนร น, นนะฉะนั้นเวลาไปเห็นสถานที่วัดเชตะวันเนี่ยนะก็ไปเห็นพระคันตกุฎีของพระผู้เมียพระเจ้าใช่ไหมเพราะไปเห็นปุบ๊บแล้วท่านคิดยังไงท่านจะคิดว่าโอ้เห็นเตียงอ่ะ ข้าแต่พระองค์ผู <oubtedly> ้เจริญเวลานี้เป็นเวลาบรรธม์แล้วพระเจ้าค่ะน้าตากระไหลข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเวลานี้เป็นเวลาสงสารพระอลกายแล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเวลานี้เป็นเวลาบิณฑบาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเวลานี้เป็นเวลาโปรดพุทธบริสัทธ์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเวลานี้เป็นเวลาในการที่จะแสดงธรรมโทพิจูบ้างพิษุนีบ้างอุบาสกอุบาสิกาบ้างเวลานี้เป็นเวลาพัตนาแล้ว ทำไปก็ร้องไห้ไปทำไปก็ร้องไห้ไปเนี่ยนะ่ะจนเทว ด, ดาคนดูไม่ได้เทว ด, ดาที่เป็นสัมมาทิฏี่เป็นว่นยะก็มาบอกอือทา่านว่าโน้นถ้าท่านมานั่งโศกอยู่อย่างนี้แล้วพุทธบริษัทแล้วใครจะเครจะไปกล่อนท่านแล้วทได้สติก็ได้สติเป็นมาเป็นก็บฟื้นคืนสศกขึ้นมาท่านโอ้ว่ากี่ล้านเลยเมือมไม่ได้ท่านก็ประชุมที่สูสมโอ้ต้องช่วยกันจัดเจนแล้วอย่างนี้จะเป็นที่กรหายินทาของดิเรกินที่คนเป็นต้นี่เป็นไง แล้วถพิจารณาการออกบวชนี่นะบอกว่าถ้าออกบวชมาแล้วเนี่ยไม่ต้องคนในสมัยคำพูดการเนี่ยเขาบวชเยอะไม่ต้องบวชเยอะบวชเยอะระดับเศรษฐีม้าเศรษฐีที่ทออกบวชกับหมดคนระดับไประดับชั้นชั้นปัญญาชนไงต้องสเสกเลยดีระดับชนชั้นปัญญาชนระดับผู้บริหารไงขนาดว่าพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยขนาดว่าหรือจะตีฟานประชีนง ตีไม่ได้ก็ต้องมาใส่เฉพาะนะต้องส่งวัสดการคว า, วามของพระองค์พระเจ้าที่มีแนวคิดยังไงเป็นต้นหรือแม้ในสมัยหลังๆมาเป็นต้นเหล่านี่สังเกตเดยทีก็จะต้องมาเอาความรู้เฉพาะตอนที่พระเจ้ า, าเสด็จเจ้าครั้งที่ผานไปแล้วลองดูประวัติวัสกาลความีิเวลามีปัญหาอะไรต่างก็มาถามถามพระถามพระเดี๋ยววัสดการคามนี่แกเป็นคนคิดเป็นวิชาที่เถี่ยคุยเรื่องธรรมะที่เอาธรรมะไปคิดเรื่องทางโลกนี่อันตรายมากคนหนึ่ง ถ้าจะคิดแบบว่าสกาลระบมีอันตรายไ้ยคือพระพุทธเจ้าสแสดงเรื่องสาอะไรส า, สาลานี้ทำใช่ไหมที่วชีย์สแสดงอีกเรื่องหนึ่งแกก็ไปคิดอีกมุมหนึง่งพุทเจ้าสแสดงเรื่องสามัคคีเรื่องการปกครองเรื่องเรื่องปองดองกันเรื่องความเหนียวแน่นต่างเนี้ี่ยประเทศที่มีการปกครองมีการสมรัครสมานสามัคคีอย่างเนี้ย เออถ้าหากว่าเราจะไปลบแล้วก็สู้ไม่ได้อย่างนี้ต้องทําให้แตกกันเรื่องงี้นี่แกปมาคิดอีก ม, มุมหนี่งไหมเวลาแกฟังธรรมะอีก ม, มุมหนึ่งแกก็เอาไปใช้มุมหนึ่งฟังอีก ม, มุมนึงก็อาไปใช้ ม, มุมตรงนี้ก็แล้วมันไม่เขาเรียกอะไรนะปัญญาเฉลโกนฉลโกนปัญญาเป็นก็มีไหมคนแบบไม่มีไหมเออฟังธรรมะอีกอย่างแล้วไปคิดอีกมุมึแทนที่จะคิดก็จะเป็นปจัจจัยแรงดึงดนตลอดจะไม่คิดจะคิดอีกมุมเนี่ย น, นี่อันตรายทีนี้ ฉะนั้นพระเจ้ า, าชาติศัตรูก็บอกว่านอกจากจะไม่ไปรบกวนแล้วยังแถมจะบำรุงื่องปัจจัยธรรมปัจจัยสีด้วยว่างังนนะแล้วพระพุทธเจ้ากระถามว่านี่เป็นอนิสงส์ของการบวทข้อที่สองได้ไหมก็ห ก, ก, ก, ก็บอกว่าได้ประการต่อมาก็พระเจ้ า, าชาติศัตรูกระถามว่าข้าแต่พวกผู้เจริญอันนี้มาย่อๆเนาะถ้าไปเอาไปไล่ตามลำดับเดี๋ยวไม่ทันเลยเพราะว่า พระพุทธเจ้าอาจจะกล่าถึงอนิสงส์ที่เหนือกว่านี้ได้อีกหรือไม่ก็คือประเสริฐกว่านี้ประณีตกว่านี้เหนือกว่านี้ได้ไหมพระพุทธเจ้าก็บอกว่าได้พระเจ้าชาติทูบอกสาธุบอกพระเจ้าก็บอกมาบอกพิทพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์แตสมุทรชอบได้ด้วยตนเองเลยนะอันนี้ก็ไล่ไปอินทิปิโสพระกวาอาถาต้องมาสัมพุโววิจาระนันตมปนุอู่เวลาพระพุทธเจ้าแสดงธรรมอย่างนี้นะ สแสดงอย่างนี้บางทีเราไปอ่านพระนตรปิฎกเราไม่เอ๊ะทำไมพระพุทธเจ้ากยกย่องตนู้ด้วยรล่าอ่นแสดงนี้ทาไมไม่ใช่ยกย่อง น, นะสแสดงในขณะที่ท่านสแสดงใ น, นท้องหลายพจนจิตของปั๊เจ้าชาติตูจะเศร้าเวลาพระพุทธเจ้าแสดงบอกว่าอารหังเป็นผู้ไกลจากวิเลยสำมาสุพุโทโธเป็นผู้ตัตรู้ชอบได้โดยพวกเถงวิชาเจริญนสัมปันโนเป็นผู้ถึงค้อมวิชาอะเสร็จแ สุขจารเป็นผู้เสดงไทดีแล้วโรก็ริทูเป็นผู้รู้แจ้งโลกอนุตตรโภคริสถานมาสารดิเผู้ที่สารดีุบุรุษที่ท้กคนอยู่ใกล้ยางไม่มีใครดงกว่าสัาเดวมุสางนานเป็นศาสดาของเดวดาและมุลตลอดพุทโตเป็นผู้ตัดสู้อริยสัจธรรมสี่ประการนะคือตัดสู้ทุกตัดสู้ทุกกรุไทยตัสู้ทุกขนโรตัดสู้ทุกข้าโรธ้ามีปฎิธรรมเวลาแสดงไปเนี้ยจิตของพระเจ้าจะรู้ว่าเกิดสัเกิดกิีปราโมท เกิดปลาโมดปีติเกิดปสสัตว์ก็สิทเรื่มตายก็คลายความโศคลายความทุกข์คายทุกข์ใจนี่ตรงนี้นะแล้วถ้าท่านผู้ใดนี่นะฉลาดในอัตถาและธรรมะตรงนั้นนะก็สามารถเอาพุทธคุณนั้นมาเจริญนะเมื่อมาเจริญมาใถ่กวนมาพิจารณาท่านไม่ปล่อยปิติทิ้งไว้อ่ะเพราะปิติเนี่ยเวลาเกิดขึ้นมาปิติเที่ยงหรือไม่เที่ยงเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงใช่ไหมสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขอ่ะ สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นกชคมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาคนเลยเนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่าเรานั่นของเราไม่คว ร, นะรใช่ไหมแต่ท่านท้าวมาใกล้ควรบางท่านที่ปีติเกิดก็ปล่อย ห, อหายไปปีติเกิดก็ปล่อยหายไปไม่แข่งในมรมนจิการไม่ใกล้ควรปีติพว่าปีติเนี่ยเกิดจากปัจจัยนะเอาปีติเนี่ยเป็นสภาวะธรรมชนิดหนึ่งนะเกิดจากปัจจัยนะไม่ใช่ไปดูปีติอย่างเดียวนะต้องดูปัจจัยของปีติด้วยใช่ไหมปีติไม่เที่ยงเพราะเกิดจากธรรมที่ไม่เที่ยงใช่ไหม ก็เกิดจากปัจจัยที่ไม่เที่ยงก็ปัจจัยของปีติไม่เที่ยงแล้วตัวปีติจะเที่ยงใจที่ไหนปัจจัยของปีติก็เป็นทุกตัวปีติก็เป็นทุกปัจจัยของปีติก็เป็นอนัตตาฉะนั้นปีติจึงเป็นอนัตตาท่านประชมลงเนี่ยไตรลักษณ์เนี่ยใครควในขณะพิจารณาเห็นไตรลักษณ์เนี่ยท่านละฉันทราคะด่บางท่านอให้บรรลุเหมือนแม่ของภาษารีบุตรนะภาษารีบุตรแสดงพุทธคุณแสดงพุทธคุณพอแสดงพุทธคุณเสร็จแล้วในที่สุดจริงๆก็ เอาปีตินั่นแหละมาไข้ควรพิจารณาในที่สุดจริงก็บรรลุได้แล้วอย่าแปลกใจเวลาพระเจ้าเห็นไหมถามว่าทานในกุศลเนี่ยพิจารณาแล้วบรรลนะุได้ไหมได้ไหมเงียบแล้วเงียบเลยอ๋ <laughs> อาทานในกุศลเนี่ยเอามาพิจารณาแล้วบรรูุได้ไม่ได้ไหมอ่ะจะพิจารณาให้บรรลุให้ดูดหน่อยสิย <laughs> อะไรทานเป็นยังไงหนึ่งเจตนาทานเนาะ สองอ่านโลภาทานสามวัตถุทานสี่วิริติทานเอาสามอย่างนี้วิริยติทานที่ไม่หมเอาเจตนาทานคือเจตนาเจตสิกใช่ไม่ใช่เจตนาทานเน่ยเจเป็นเจตนาเจสิกเจตนาเจสิกเป็นนามธรรมไหมเจตนานี่เป็นเจตสิกใช่ไหมเกิดร่วมกันกับเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์อย่างอื่นแล้วเกิดร่วมกับวิญญาณขันธ์อาศัยรูปขันธ์เป็นไปด้วยเนาะ ฉะนั้นเจตนาทานเนี่ยมีเจตนาก่อนขณะแล้วก็หลังทำผูก พ, พากเจตนามุ่จ่ายเจตนาพระเจตนาก็ไปว่าไ ป, ไปแต่นั้นคือเจตนาคือความจงใจวางตั้งใจในการที่จะให้ไอเจตนาตรงนี้เป็นทานหรือยังเป็นหรือยังเป็นหรือยังถามนหยัเป็นแล้วใช่ไหมเป็นนามธรรมใช่ไหมความจงใจหรือเจตจำนงในการที่จะให้อ่ะ อันนี้เป็นเจตนาทานอาโลพาทานอาโลพ า, านี่เป็นจิตรือเป็นเจตสิก เ, เ, เกิดร่วมกันกันกบโสพนจิตเนาะกุศลหรืออกุศลอโลพาทางต้องเงี้กัำเลยเจตนาให้จะเป็นบาปได้ไหมได้ทำไมไม่ได้เคยคิดให้ก็จะทวงบุญคุณไม่ได้ดนนะโธเยอยหยาหมดนี่ฉันให้คุณนะนะ เหมือนลราสอนลูกให้จําไว้นะที่จาบุญคุณของแม่เขาไว้ไม่ควรแม่เรียกมาเหนื่ยากเลยบอกว่าใช่ไม่ใช่เจตนาเป็นบาปก็ได้เป็นบุญก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าเจตนาที่ท่านประสงค์ที่เป็นเจตนาทานนี้หมายถึงบุญเจตนาที่เกิดร่วมกันกับมหาบุตรทีนี้เจตนาเจตนาคือความจงใจหรือเจตจำนงในการที่จะให้ของแต่ละบุคคลเนี่ยเหมือนกันเท่ากันต่างกันต่างไม่ต่าง บางคนก็เป็นสาสสังคายนี่บางคนก็เป็นนาศสังคายนี่บางคนก็เป็นญาณสาศยุึดยานาวิบยึดโสมนัสและอุเบขาใช่ไหมใช่ก็ไปไข้ ค, ค, คนไปพเจารณาดูที่ทํามานี่เ๋ยวจะทําทมาแล้วมันผิดจะทำไงขอยทิ้งไปได้ไหมเอามาทบทวนใหม่ได้ไหมได้ไม่ได้สมมุติว่าเมื่อเดือนที่แล้วเราไปให้ทานด้วยโลภะผิดเจตนาก็เป็นเจตนาด้วยโลภะแล้วการให้ก็เสียหายมากและโกรธด้วยเนอะ ไอคนรักประเด็นไม่กินอาหารของเราไปอีกโอ้โโกรธใหญ่กลับมาหัวฟัดหัวเวี่ยงเลงื่อนเลยนะแล้วกลับมาแบบีป๊บเนี่ยแล้วมาคิดทีหลังลแลยเราจะทําให้เป็นบุญได้ไหมเอาทำให้ดูที่ทำยังไงจะทํายังไงดีก็ระลึกกายบอกโอ้การกระทำเช่นนั้นไม่ถูกต้องใช่ไหมแต่วันหนึ่งปลุกภาสเจตนาเข้าไปเจาเา้าก็เสียหายาไปแล้วมุนจะเจตนาก็เสียหายไปแล้วจ่อัปลัเจตนากลับไปทบทวนใหม่ได้ไหมกลับไปทบทวนใหม่ก็เอาอปลักษเจตนาเนี่ยแหละ เพราะเจตนาอเจตนามได้สามการนี่ใช่ไหมการก่อนไม่ไทช่ไม่ทําการขนาะทําไม่รันเอากายหลังทำนี่แหละเอามาไข้ควรใช่ไหมดีกว่าจะไม่ได้เลยใช่ไมจ๊เนี่ยเราก็มาไข้ควรทีนี้ในะขณะที่เราให้ทานไปเนี่ยถามว่าเออทานที่เราจะมาหรือว่าจะเป็นปัจจัยใหตการเจริญที่จะเป็นกุศลได้เนี่ยเออที่จะเป็นปัจจัยใหตการที่จะแทงตลอดอริยสัจเป็นต้นเหล่านี้ได้แปลว่าฐานต้องดีเน้น ถ้าไปเข้าใจว่าเออเราเนั่นแหละเป็นผู้กระทําอัตตาเต็มตัวเลยที่เป็นผู้กระทําเนี่ยนะศัตว์บุคคลผู้นี้เป็นผู้กระทาเนี่ยแปลว่าอะไรเห็นดว้วยความเป็นสัตว์เป็นบุคคลในการกระทํานี่มันต้องมาแปลสภาพการวิธีคิดใหม่นะแท้ที่จริงเป็นกลุ่มของขังนไหมเป็นกลุ่มของรูกประคันคือหมหาพูดและอุปาทายรูปส่วนหนึ่ง แล้วก็เวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันมีเจตนาเป็นตัวนำงกกลุ่มนามาขันยังไงคือความจงใจเจตจํานงแล้วมีวัตถุทานไหมตอนนี้นมีวัตถุทานในการให้ด้วยยังไงวัตถุทานนั้นประชมลงก็คือดินน้ําไปลมใช่ไม่ใช่คือธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมแล้วอาจจะเป็นดินซ้อก็ได้จะเป็นสมุนก็ได้เป็นข้าวก็ไดสรุปแล้วใช้ดินน้ําไปลมไหมก็คือดินน้ําไปลมสีจินรถโอชาธาตุนั่นแหละ สรุปก็คือเราถวายมาหมาพูดใช่ไหมใช่เราสละหมาพูดนั่นแหละเราอาจจะไปสมมติเรียวกว่า บ, บานก็ได้ใช่ไหมเป็นกุฏิวิหารก็ได้เป็นที่ดินก็ได้เป็นเลือกสวนไรนาอะไรก็แล้วแต่หรือจะถวายหนังสือหนะะังหาสรุปก็หนัือนั่นแหละเราไปช ม, มาหมาพูดเนาะเราถวายมาหมาพูดแล้วกระแสขันก็คือกลุ่มกับมาหมาพุทธลูปแล้วอุบาทยาลปูปแล้วกลุ่มนามขันที่น้อมในการที่จะถวายเหละนะ่านั้นถ้ามาใข้ควรพิจารณาอย่างนี้เริ่มจะถอนบัญญัติออกได้เนาะ มาพิจารณาในลักษณะนี้โอ้โหเจตนาเริ่มดีแล้วนีมาไขควรพิจารณานี้ือถ้าเป็นอะโลพาทามด้วยแปลว่าหนึ่งไม่โลกเนาแสดงให้เห็นชัดว่าทามที่ให้นั้นให้ด้วยปัญญาด้วยให้ด้วยสติสมัชัญญะแบบค่อนข้างสูงส่งเลยนะแล้วก็มาพิจารณาไขควรดู้ uf, กระแสขันที่ให้ไปในขนาดนั้นกับกระแสขันที่ระลึกในขนานี้คนละกระแสขันไปเลย กระแสขันที่ให้ไปในขนาดนั้นก็แตกตักไปแล้วไม่มีเหลืออยู่แล้วสืบเนื่องมาอยู่ในกระแสขันนั่นกระแสขันกระแสขันนี้ก็เป็นเรื่องกระแสขันก่อนๆนื่อเป็นอารมณ์เลยเนี่ยในการไขควรในการพิจารณาเพื่อตัณหามาหน้าทิถีออกไปเนี่ยมาไขควรทีแรกประเป็นอะไรเป็นอุบายแสมาธิได้นะเออเป็นกลุ่มของสมาธิภาวนาแล้วก็มาไขควนพิจารณาต่อวิปัสสนาได้ไม่ได้ ที่ให้นั้นเที่ยงหรือไม่เที่ยงไว้ด้วยะไม่เทียเเท่ยงเลยก็ใครควรลงสู่ใจรักแล้วก็พิจน า, นารนาดูเหตุปัจจัยจของกระแสขันเหล่านั้นเป็นต้นด้วยเราลงสู่ใจรักในที่สุดจริงก็บรรลุได้อย่าลืมต้องไปดูในพระไตรปิฎกนี่นเองการนี้บาปเป็นต้นไม่ว่าจะเป็นอนุสตินะไม่ว่าจะเป็นพุทธานุสติธรรม า, านุสติจาคานุสติศีลาจาราอุปสามาถ้าเราลืมไปเด้มหมดเลยแล้ก็เป็นปัจจัยในการบรรลุได้เอวิปัสนาที่พระรุจยาวสอนไม่ยาว ใช่ไหมใช่สมาธิเ อ, อสมาธิหรืวิปัสสนาที่พรุทธเจ้าสอนเนีดูแล้วเอามาไข่ควรเลยไม่ค่อยอยากใช่ไหมใช่แต่หมายถึงถ้าปฏิบัติตามคำสอนของพพุทธเจ้าไม่ยากแต่การจะแทงตลอดนี้จริงๆรเนี่ยยากนะแต่แปลว่าหนึ่งจะตามความเข้าใจนะถ้าเราหมั่นมานัตกามไข่ควรจริงๆเิงก็ไม่ค่อยยากคือเข้าใจได้ในพื้นฐานในเบื้องต้นไม่ค่อยยากเนี่ยตรงเนี้ยนะสามารถที่จะประลึกได้ฉะนั้น หนึ่งเจตนาสองอโลภาสามวัตถุหเาาห็นั้นก็มาไข่คว้านะพิจารณาอย่างนี้เป็นต้นเลยทีนี้ในจุดตรงเนี้ประโยชน์ที่ประณีตขั้นสามัญญผลเนี่ยนะที่พระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าพระพุทธเจ้านะั้นตรัสรู้อริยสัจสี่ถึงพร้อมด้วยคุณอันประเสริฐมีความเป็นใหญ่ต่อจิตของตอนเป็นต้นในอุบัติเกิดขึ้นแล้วในโลกสั่งสอนสัตว์โลกในสิ่งที่พระองค์ได้ ต, ดตรัสรู้แล้ว แล้วประสงค์แสดงทำงานในเบื้องต้นตามกลางและที่สุดมีความบริบูรณ์ด้วยอัฏฐาและพยานชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเนี่ยนะงามในเบื้องต้นตามกลางและที่สุดผู้ที่ได้สดับก็ทำคําสอนเช่นนี้แล้วเบื่อนายเบื่อนายก็บอกว่าคือการคลองเรือนเป็นเรื่องยากคนที่ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าก็จะคิดกันแบบนี้การคลองเรือนเป็นเรื่องยากใช่ไหม เรื่อนที่คลองไม่ดีก็นําทุกมาให้อย่างมากเลยการอยู่กับคนบริหารคนอีกอยางนะมีแต่ความทุกข์ใช่ไหมคือกระแสขันของเราก็เต็มไปด้วยชาติที่ทุกข์ชร า, าทุกขนะ์มาแล้ะทุกข์เป็นที่ตั้งของความโศความร่ำไลําพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคักแค้นแสยะเยอะแยะไปหมดใช่ไหมถ้าเราเกี่ยวข้องกับขั น, ขนหลายๆขันลองคิดดูที่จะทุกข์ขนาดไหนอันนั้นก็ชาติทุกข์ชราทุกข์มาแล้ทุกข์อันนั้นก็ชาติทุกข์ชราทุกข์มาแล้วหน้างานไปอยู่ในคิดดูเนีย ล้วนจะเป็นที่ตั้งของชาติทุกเชลาร์ทุกมรณะทุกโสกับปุริเทวาทุกกระโทมนัสสะปริเทวาทุกกระโทมนัสสะเลิกไวยาเป็นหนึ่งยนะสัตว์ทั้งหลายตายแล้วด้วยเคยตายกันมาหมดเนี่ยกระแสขันเนี่ยสัตว์ทั้งหลายจะตายเลยแล้วจะไปจะไปตายกันข้างหน้าอเลยไหมแล้วมันก็จะเป็นไปของมัอยู่เงี้ยกระแสขันก็จะสื่อต่อของขันธาตุญาณจน้าก็จะเป็นไปอย่างเงี้ยเออพิจารณาในลักษณะอย่างนี้แล้อ้มการเกี่ยวข้องแบบเรือนเนี่ยการอยู่เรื่เรือนเนี่เป็นเรื่องทุกเป็นเรื่องลําบาก เป็นเรื่องความยากมากใช่ไม้มเป็นไปกับกิเลสโดยส่วนมากโดยมากเราก็ชําระอะไรกายกรรมวิจิกรรมแล้วอาชีวะก็ไม่เคยเบิกุดสุดเนื้อวันวนหนึ่งเนี่ยเพราะสิ่งที่เราเกี่ยวข้องเนี่ยสัมมาทิฏฐิบุคคลก็ดีไกลใช่ไหมถ้าไปเกี่ยวข้องกับมิจฉาทิฏฐิบุคคลโอเราก็ทุกใจบางทีเราก็ห ล, ลงไปเป็นมักพักเป็นสเกลด้วยที่เพราะเราไม่เข้าใจอริยสัจไงเรามองเรามองไม่เห็นว่าเขากําลังทําบุญทาบาปล้วก็ไม่ชัดเจนตรงนั้นเนี่ย ใช่ไหมใช่ถ้าเราลองชัดเจนดูเดียวโอ้เนี่ยสัตว์โลกเนี่ยเป็นที่ดูบุญดูบาปจริงๆเนอะเนี่ยก็ดูขังก็ดูก็กําลังทําบุญทำบาปจรนงไหมเนี่ยพวกเราทั้งหลายตอนนี้ก็มาอลไมารับผลบุญและในขณะเดียวกันก็รับผลบาปไปด้วยแล้วเอารับผลบุญยังไงในขณะฟังก็ทําก็รับผลบาปใช่ไหมถ้าในขณะที่เรากําลังนั่งนั่งอยู่เนี่ยบางทีก็มีเสียงอบเยสัตว์ร้องไม่ได้ยินก็มีนั่นบางทีก็อะไรก็ไม่รู้เกิดเอาคุกขังกายเกิดมาจากโรคภัยไข้เจ็บเป็นต้นเหล่านี้ แปลว่าอะไรมารับทั้งผลบุญและผลบาปใช่ไหมครัและในขณะเดียวกันเราก็กําลังมาทําบุญและทําบาปเป็นอยู่เนี่ยใช่ไหมทําบุญและทําบาปชาติที่เป็นไปในกระแสะขันเนี่ยมันเป็นไปอย่างรวดเร็วมากถ้าเราไม่กําหนดไม่ไข่ควรไม่พิจารณา ด, ดีเราจะไม่รู้เลยนะว่ากระแสะจิตเราขณะนี้เป็นบุญกระแสะจิตในขณะนี้เป็นบาปเราจะไม่ได้ไข่ควรดีเราจะไม่รู้เลยจริงๆเราจะไม่รู้เลยว่ากระแสะจิตที่มันขึ้นแต่และชาติแต่ละชาติเนี่ย ไอ้อมนัสการที่มันเป็นไปเนี่ยมันจะเป็นใัยกับบุญตลอดสายยากมากใครที่สามารถมนัสการบุญได้ยาวได้ต่อเนื่องและได้บ่อ ย, อยๆเสมอๆเนี่ยท่านคนนั้นไม่ใช่ธรรมดาของมนุษย์แล้วนะแต่เป็นบุรญชนเนี่ยแปลว่าเขาจะต้องฝึกหัดเป็นอย่างดีนะเขาคิดได้อย่างไงที่เขาสามารถชําระกายกรรมวิจิกรรมและอาชีวะเขาบริสุทธิ์ได้ในชีวิตจริงได้ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับพานบุคคลหรือบัณฑิตบุคคลก็สามารถเป็นไปกับสุจริตสาได้กายสุจริตวิจีสุจริตมโนสุจริตได้ใช่ไหม สดจลิตเขาดีเพราะโยที so so so ่สมนัสการเขาดีนะโยที่สมนัสการดีเพราะสัทธธรรมมัตสวนะเพราเขาฟังธรรมจากสัตฟังธรรมมาดีสัทธธรรมมัตสวนะเขาหาได้จากสัตบุรุษใช่ไหมสัตบุรุษก็อยู่ในถิ่นที่สมควรการอยู่ในถิ่นสมควรก็แปลว่าปุเพกตับปุญญตาเขาดีอ๋อปุเพกระตบปัญญาตานี่นะเป็นปัจจัยแก่การอยู่ในถิ่นที่สมควรการอยู่ในถิ่นที่สมควรก็ได้ครบสัตบุรุษครบสัตบุรุษก็ได้ความป็นสัทธรรม ฟังภาษาธรรมเกิดโยนิสมนัิการโยนิสมนัสการก็เป็นปัจัยการสํงรวมยินรีย์บ้างเป็นปจัจจัยจะได้สุจริตสามถ้ายินรียสังวรไม่ดีสุจริตสามจะได้ไหมได้ไม่ได้เช่นถ้าไม่ปิดบาาทางตาวานตาหูจมูกลิ้นกายใจยกตัวอย่างเช่นตาเห็นลูกใจเป็นบ่าวเนี่ยได้ทุจริตไหมกายจะทุจริตวิจิตุจริตมโนทุจริตตามมาไหมเนี่ยแค่เห็นลูกเนี่ยเนี่ยมองไปปุ๊บเนี่ยไปเห็นปุ๊บแล้วยินดีปุ๊บเนี่ยเกิดลาคะ ก็เกิดราคะในขณะนั้นใจเป็นมโนรุจริตไหมพูดออกมาโอ้งามจริงๆเป็นวิจิตรจริตยออมือยกมามมาดูสิมาดูจะเป็นทางกายจริงจริตสามได้ในขณะที่ดูเห็นไหมไม่พอใจก็ได้ใช่ไหมไอ้เราก็จะตั้งใจฟัง ท, ทำทาไมคนนี้มานอนมานั่งโคนข้างหูเราอีกต <c oughs> ันึงแล้วไหม แล้วเป็นไหมเนี่ยบาป ก, ก็เกิดอีกแล้วใช่ไหมใช่มันักศึการไม่ดีบาป ก, ก็เกิดทั้งๆที่หนีมาฟังธรรมนี่ยังตามมาโกรนนี้ได้ยินอีกเนี่ยนึกแล้ว <c oughs> พิจารณาดูอย่ไหมใช่ <c oughs> แปลว่าอะไรเวาลาเห็นรูปครบได้ทุจริตสามก็ได้สุจริตสามก็ได้ฟังเสียงครบเนี่ยทุจริตสามก็ได้สุจริตสามก็ได้ฟังไล่ดิเอาสามไปคูณหกได้อีกละสิบแปดในสิบแปดบางคนก็ได้ทุจริตทั้งวัน บางคนก็สุดจิตก็ไปนั่งคิดไงถ้าเป็นนักการบัญชีหน่อยบริษัทนี้เจ๊งไหมเนี่ยบริษัทกระแสขัมนี้เจ๊งแน่ๆถ้าเจ๊งแล้วมันจะไปไหนไดเนี้ยก็ น, นายกรุณายิงท้องทีเอ๊ะคิดใครคิดมาควรจะกรุณาใครก่อนก็ไปด้ก็นไาะไปใครควรก็ไปพิจารณาดูนว่าเออยิ่งเป็นอย่างนี้ยิงๆีนะ ไม่พอถึงเวลาศึกษาการทำในบางทีเราก็อู้ศึกษาการทำในบางทีลืมนะลืมประชุมปริยสัจลงสู่กระแสขันรุ่นตนใช่ไหมใช่หรือในขณะที่เราเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นก็ลืมประชุมปริยสัจลงสู่กระแสขันรุ่นตนเองเราไปคิดว่าปริยสัจอยู่บนกระดานไหมนะนี่ทุกนี่เหตุให้เกิดทุกนี่ความดับทุกนี่ข้อปฏิบัติให้เข้าถึงว่านละทุกห้องกันเจ้าเจ้าเจ้าสารภาพนะมือถือตํารา ข้องหนังสือต้องรอเด็กวิ่งผ่านหน้าโกรธเด็กอ่ะพระไตรปิดกดูพระไตไปิฎกเด็ดกดขี้โกรธไอตรงเนี้ยต้องไปพิจารณาให้ดีนะใช่ไหม่เพราะว่าพอให้เรากอดพระไตไปิกให้แน่นนี่นะกอดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระพุทธเจ้าให้แน่นเนี่ยแต่ถ้าใจเราเป็นตัวจริตในขนาดนั้นอาบายทุกติวิบนะัติโกเนี่ยต้องมณัสิกามดีต้องไข้ควรใหดีก็เป็นของละเอียดที่เราต้องไข้ควต้องดูก็ต่ คือต้องฝึกขัดขัดเกลารือเองให้ได้เพราะว่าเกิดมาเนี่ยกว่าจะเป็นมนุษย์ได้เนียเพระพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ามันยากใช่ไหมนี่สิ่งที่มันยากอีกต่อไปก็คือว่าเราจะเอาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเข้าสู่กระแสขันใช่ไหมโอปนายโกเนี่ยน้อมเข้ามาเนี่ยน้อมอะไรก่อนเบื้องต้นน้อมปริยัตเข้ามาก่อนน้อมแผนที่เข้ามาก่อนมันจะได้เดินไหมครับ นี่เราไม่ค่อยจะน้องแผนที่ก็ามาสู่กระแสขันใช่ไหมเวลาเดินนั้นก็ผิดเลยออกนอกล่องนอกลอยไปอยู่เลยเหมือนเหมือนกับที่ว่าเราขับรถแล้วเราเร า, เราไม่ชํนานาญเส้นทางก็ไปมั่วเลยทนนี้ใช่ไหมยังนั้นเราต้องน้องคําสอนของพุทธเจ้าเข้าสู่กระแสขันแล้วก็เดินกายกรรมแต่ละครั้งที่แสดงออกไปวจีกรรมแต่ละครั้งที่กล่าวออกไปมนโนกรรมแต่ละครั้งที่คิดออกไปนะั้นถ้าเป็นไปตามพระธรรมคำสอนแปลว่าตอนนั้นมันเริ่มจะ ขับเกา่าดูเองถูกแล้วแต่ถ้ามันได้ทุเจริตนี่นะทั้งท้ง ท, งที่กล่านี่เหมือนสมัยอาตมาเนี่ยอาตมามากล่าวก็ทำมาแสดงรา่างลาดับไปเนี่ยแสดงพระธรรมไปแต่ใจอาตมาเป็นไปด้วความโลกภแสดงทําอุยคนฟังดูดีแล้วเนาะคนฟังต่อไปอาตมาจะได้มีชื่อเสียงแต่เมื่อนี่นะเสียหายเลย ท, ทั้งทั้งที่กล่าวก็ทำเดียอาตมาเสียหายเป็นดี แปลว่าอาจะมามาทําบาปโดยอาศัยว่าทําของพระพุทธเจ้าเห็นไหมหรือในขณะที่อาจะมาแสดงทมไปในคนฟังไม่เหฟังกันโกรธชื่อนอนก็โกรธใช่ไหมที่กรเสียหายอีกผู้ฟังก็เหมือนกันฉันถึงบอกว่าการที่เราจะมานาสิการ์มือไขควรเน้นต้องป้องกันตรงนี้ให้ดีอันนี้เป็นเรื่องปฏิบัติไหมมีคนก็ะดามมาตะมาแลบอกบอกว่าท่านอาจารย์ไม่ยอมปฏิบัติสักทีเลยโยติกระสันโแต่กระปริยา มาหน้างงอยู่ในปฏิบัติอะไรเนี่ยใช่ไหมใช่เลยถ้าเขาถามว่ายี้ยี่ทําะไรไงเนี่ยเออท่านไม่ยอมปฏิบัติสักทีเลยนะทีนี้ไ อ, อ้ปฏิบัติเนี่ยมันเป็นท่าเป็นทางใช่ไหมไ อ, อ้คำ ว, ว่าปฏิบัติเนี่ยแปลว่ามันจะต้องมีท่ามีทางออกมาใช่ไหมใครจะต้องประ ก, กาศให้คนอื่นรู้เบ็ดเสร็จแล้วอจตมาจะปฏบิบัติแล้วนะทีนี้ใช่ไหมไม่ใช่ เช้าวันนี้ขณนะที่อาจมาสแสดงทำอยู่เนียชื่อว่าจะมาปฏิบัติชื่อว่าปฏิบัติไหมตอบไม่เคยชัดอีกปฏิบัตินีเป็นคำ ก, กลางๆนะถ้าทําราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นในกระแสจิตกายกรรมวิจีกรรมมนโนกรรมเขาอาจจะมาจะต้องปฏิบัติไหมตอนนีน้ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติเขายังปฏิบัติชั่ว ปฏิบัติแล้วเพราะตอนนั้นน่ะราคาเกิดในใจโท ร, ราคาเกิดใช่ไหมแต่ทำกายการรมวิจีกรรมโนกรรมให้เป็นไปกับบาปอกุศลธรรมมันลามกโทสาสเกิดในกระแสะใจมันก็ทําให้กายการรมวจีกรรมโนกรมนกรมเป็นไปกับบาปอกุศลธรรมอันนี้มันปฏิบัติแล้วแต่ถ้าหากว่าทําศีลสมาธิปัญญาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น่นทําศีลสมาธิปัญญาที่เกิดขึ้นแล้วให้บริบูรณ์ยิ่งยินไปะ แล้วก็ให้เป็นไปกับการกระแสขันอยู่ตลอดเวลาไม่ชื่อว่าปฏิบัติไหมตอนนั้นจะพูดได้ไหมปฏิบัติเนี่ยจะกล่าวพัฒน์ทำอะไยหรือปฏิบัติจะนอนอยู่เรียกว่าปฏิบัติไหมจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะโค้ชจะเหยียดจะก้มอย่างไรก็คือการอฏิบัติเพราะตอนนั้นเป็นการประชมุมศิกขาสามให้ดําเนินไปในชีวิตจริงนะปฏิบัติมันอยู่ตรงนี้ไอ้คาว่าปฏิบัติกับศิกขาสามมันเป็นคเดียวกันนะอันเดียวกันทุกย่ เป็นข้อปฏิบัติด้วยเป็นมัชฌิมาปฏิปทาด้วยตัวศีลสมาธิปัญญาเนี่คือตัวนี้เป็นตัวปฏิบัติแต่ถ้าศีลสมาธิปัญญาไม่อยู่ในกระแสจิตของท่านผู้ใดท่านผู้นั้นไม่เรียกว่าปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าใช่ไหมยะถ้าศีลสมาธิปัญญาประชุมลงในกระแสจิตของท่านผู้ใดแปลว่าท่านผู้นั้นกำลังปฏิบัติอยู่แล้วถึงท่านผู้นั้นจะกล่าวอยู่จะเดินอยู่แม้พอไปเข้าห้องน้ำไม่เรียกปฏิบัติเลยใพระเจ้า เราไปดูในหมวดสัมปชัญญะบัณฑิตายอุจรปัสสาวะสัมปชานการีวัตถิ์ะปัสสาวะปัสสาวะ ก, กรรมสีสัมปชานาการีวัติกระทาสัมปชัญกระทาสติสัมปชัญญะในการทายุจระและปัสสาวะนั่นคือปฏิบัตินี่ยังไงนั่นคือปฏิบตัติแต่ถ้าหากไม่มีสัมปชานากาลีในการที่ทายุจระและปัสสาวะนี่นะ ในขณะนั้นเขาก็เรียกว่าปฏิบัติเหมือนกันเพราะทําราธาโทสาโมหาเป็นต้นให้เป็นไปในการขับทานอยู่แล้วใช่ไหมจ๊าดนั้นเราต้องรู้ว่าเออปฏิบัติเนะี่ยมันไม่ใช่ไปตั้งท่าขอใไปไ่เออท่ามันมีอยู่แล้วขอไปไมันยังมีนะมันก็จะต้องมีการยืนเดินนั่งนอนอยู่แล้วแต่ว่ายืนเดินนั่งนอนนั้นตอนนั้นอาจจะแฝงจิตเป็นไปกับสิกขาสามถ้าหากว่าเป็นไปกับสิกขาสามก็แปลว่าตอนนั้นการปฏิบัติกําลังดาเนินไปอยู่แล้วนะ เนี่ยถ้าเข้าใจแบบนี้พีแล้วก็เออเป็นไปตามวิทําคําสอนของครูท่านเจ้าทีนี้ทีนี้ถามกันในเรื่องการปฏิบัติเขาอยู่เลยว่าออใช่ไหมทีนี้ถ้าถามบอกว่าแล้วในชีวิตจริงของเราอ่ะในชีวิตจริงของเราที่เราเป็นไปอยู่เลยอย่างสมมุติว่าเออเราก็มาใขว่คว้มาพิจารณาใช่ไหมว่าเออเรามาประชุมมามาเนื่การที่บอกว่าทํากายกรรมวิญกรรมแล้วอาชีวะให้บริสุทธิ์ได้เนี่ย ด้วยด้วยการมรรณกาตร์ทำให้ศีลละนะมันเป็นไปยอยู่วันก่อนไปดูหนังสือของอาจารย์เพงศรเขาส่งไปถวายเขียนเรื่องสีอละนี้ศีลละนิเพียรอัตมาก็ไปดูอ๋อนีนอนอ่ใช้คาศีลละนะฝักอือใช้ได้นี่บอกเขียนหนังสือดิเอ้ทเจอพมก็บอกว่าเอ่อคนวน จำนวนจารเขียนเนี่ยอเลมาไมใ่ใส่ใ Aquí, recib, ่ใจรนนั้นเนองใส่ใจเอออัดถาวรพญานะอูนใช้ได้ตัวอแปลว่าอะไรนะพอไปดูก็คืว่าที่ว่าปทธาไอสมาทานนางก็เปุปาธาลนานที่ว่าทํากายกรรมวิจิกรรมไม่ตั้งไว้ด้วยดีไม่เกินกล่ดไม่กระจัดกระจายคําว่ากายกรรมวจีกรรมเน่ยตั้งไว้ด้วยดีไม่กระจัดกระจายเก็ว่ากายกรรมนั้นไม่ทําปในดิบารินท์ใช่ไหมไม่กระจัดกระจายแล้วประการหนึ่งก็คือว่า เป็นฐานรองรับเป็นที่รองรับเป็นที่รองรับกุศลธรรมเบื้องสุดฉะนั้นถ้ากุศลศีไม่ดีเนี่ยศรัทธาวิญยาสติสมารหรือสมาธิปัญญาวิโมกติยาณทัทสนะเป็นต้นเนี่ยจะไปชมลงไม่ได้ว่าจะไปตั้งอยู่ที่ไหนใช่ไหมก็ไม่มีฐานรองรับอย่างนี้ไป็นต้นอันนี้ก็เป็นพิจารณาอย่างนั้นะตรงนี้นี่แหละท่านพาาุทธเจ้าทึงบอกว่าพระองค์นั้นท่าสอน ผูไ ด, ด้สระก็ทำมันถึงพร้อมเช่นนี้แล้วก็เบื่อหน่ายาถ้าเอาพิจารณาอย่างนี้นะความเบื่อหน่ายในการครองเรือนมันจะเกิดขึ้นอันนี้แปลว่าพอเบื่อหน่ายนะเบื่อหน่ายในการครองเรือนก็จะเกิดขึ้นแล้วท่านคนนั้นก็จะออกบวชทีนี้พอออกบวชเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยนะภายหลังบวชแล้วได้เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์สำรวจมินรีย์มีความพอใจในโภชนะมีสติสำปรชัน ญ, ญ, ญาติมีสันโดษเป็นข้อวัดปริบัติอันนี้เป็นประโยชน์สุขที่ได้ อันนี้เป็นประโยชน์สุดที่ได้จากการบวชเป็นต้นแล้วนี่นะอันนี้ก็ถามพระเจ้าชาตเจตูว่าอันนี้เป็นใช่ความสุขไหมเออพระนี่นะถามว่าบางทีคารวะใช่ไหมแล้วก็มองเห็นโงพระเขามีความสุขยังไงความสุขจริงๆคือสุขจากการได้รักษากุณศีลสมัยก่อนเราจมาบวชใหม่ๆเาจมาจะอึดอัดมากอะไรศีลของพระทั้ง227น่าอึดอัดจริงๆใช่ไมใช่แล้วยังมีข้อวัดอีกนะ มีอุปชายวัดอาจาริกอาจาริยวัดเป็นต้นเห่านี้วัดในการปฏิบัติต่อครูอุปชาอาจารย์วัดในการกวาดวิหารลางเจดีวัดในการดูแลตุนศรีหม้อโพธิ์ใต่างๆเหล่านี้เป็นข้อวัดยุ่งยากเหลือเกินไม่เยอะแยะหมดวัดในการที่จะควรปฏิบัติต่อพระเถรละยังไงในการจะต่างน้ําฉันน้ําใช้ดูแลยังไรอ้ยอะแยะยุ่งยากมากใช่ไหมแต่ก่อนมองเห็นกุศลศีลเป็นเรื่องยุ่งยาก คือไม่เคยคิดว่าศีลเป็นอริยทรัพย์เนี่ยแ ท, ท้จริงพระพุทธเจ้าประทานอริยทรัพย์ให้เราแต่เราเป็นคนโงโ่เรานั้นน่ยเราก็ไม่เข้าใจว่าศีลเป็นอริยทรัพย์ศีลเป็นทรัพย์อันประเสริฐเราก็ไม่ได้นอกน้อมเอากุศลศีลเนี่ยมาม า, มาใส่กล้าวใช่ไหมก็จะบูชาว่าเออเราได้อริยทรัพย์เราบวช้ามาในภาษาศาสนาเราควรจะได้ทรัพย์ของพระพุทธเจ้า ในฐานะเป็นที่าศาสนาเออทายาหรือเป็นเป็นศาสนาหรือเป็นเป็นธรรมาทายาของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นญาติของพระพุทธเจ้าใช่ไหมควรจะได้ธรรมะของพระพุทธเจ้ากล่าวคือได้ทรัพย์ของพระพุทธเจ้าพระเจ้ามีทรัพย์เยอะโดยเฉพาะอริยทรัพย์ที่ไหมสติปัฏฐานสมบัติฐานอิบาทอินทรีย์พราโกชงมาร์าาารามมากแปเป็นต้เ น, นเหล่านี้รู้ว่าจะเป็นอริยทรัพย์ที่พระองค์ทรงมอบไว้ให้เนี่ยแต่เราไม่เคยได้สัมผัสไม่เคยลิ้มรสเลยเนี่ยเช่นศีลสมาธิวิปัสสนาเป็นต้นเหล่านี้เราก็ไม่เคยได้ทรัพย์ตัวนี้เลยใช่ไหม ปริยัติเป็นเจ้าเหล่านี้ก็เป็นรัย์บเราก็ไม่เข้าใจเรื่องเป็นซับเราเห็นเป็นเรื่องอื่นอัดเป็นเรื่องยุ่งยากมากมันก็อึดอัดเหลือเกินแต่พอต่อมาพอเริ่มศึกษาพระธรรมคาสอนอุ๊เราทําไมคิดงขงขนาดนั้นอโอ้ซับเนี่ยมีมากยิ่งดีป้องกันภครป้องกันอันตรายได้คนมีทรัพย์ทางโลกมากเขาใช้ทรัพย์เป็นเขาทาบุญได้เยอะเขาเจริญกุศลได้มากเขาสามารถจะวางรัพย์ลงได้เยอะอย่างพระุทธเจ้าใช่ไหม ตอนเป็นพระโพธิสัตว์ทั้งหลายมีทรัพย์ท่านก็ใช้ทรัพย์ในการที่ต่อบารมีอย่างเนทานบารมีศีลบารมีเนคขมารบารมีปัญญาบารมีเป็นต้นวิริยะสัจจะขันธิสัจจะอิทฐานเมตตาเบิกาเป็นต้นเหล่านี้ท่านใช้ทรัพย์ในการที่จะสั่งสมอจิยาสายสร้างบารมีในสุดจริงๆบั้นปายหรือว่าทาการชีวิตท่านก็สละทรัพย์ทั้งหมดสละหาพูทั้งหมดท่านก็เอาความสุขที่เกิดขึ้นจากเนคขมารเป็นต้นเหล่านี้นะท่านก็บําเพ็ญบารมีอย่างท่านมาเนตามลําดับแต่เราค ผู้ศรีเป็นอดยตรัพย์ทีนี้ก็ไปดูในคําสอนที่ท่านอุปมาบอกอูน้นี่พระเจ้าจากาักรพรรดินี่นะเออพระเจ้าจากาักรพรรดินี่ยตอนที่ท่านเป็นพระเจ้าจากาักรพรรดิท่านก็ปกครองแป้นหมาสมุดเมีมีอุชงคูทวิบกระดาอุดตะลัคุรุทวีบกรดาษตัพระวิเทห์หาทวีบอัปราชโคโยานาทวีบกรดาษแล้วยังมีทวีบน้อยใหญ่สองพันเป็นบริวารมี หมาสมุดเป็นขอบเขียวแค่นั้นยังไม่พอใช่ไหมสมัยยุคของพระเจ้า ม, ามันทาตุราบเนี่ยแม้แต่สวรรค์ชั้นจาตุมงท่านก็ได้ไปนู้นไปแบ่งชั้นเดาดึงจากเท้าสกายครึ่งหนึ่งเนี่ยเห็นไหมท่านก็ได้สรุปแล้วสมบัติของท่านเยอะแยะหมดลองคิดดูพอพรอะอเจ้ามันทาตุราสวรรคตรลูกชายคนโตได้เป็นพระเจ้าเป็นดินแดนโอไม่ไหวแล้วสมบัติของพ่กเยอะเหลือเกินเอาแค่นิดเดียว นาข้าวนาข้านี้สุดจริงรักษาผิวแผ่นดิงไม่ได้นี่โทษของการมักน้อยทรัพย์อันนี้หมายถึงแค่ทรัพย์ทั้งทังโลกนี้ขนาดนี้นะทีนี้อริยทรัพย์หมายถึงกุศลศีลเนี่ยถ้าพระเราเนี่ยในสมัยก่อนเนต่อไปเนี่ยพระจะเห็นศีลไม่เป็นอริยทรัพย์กันญาติโยมก็จะไม่เห็นกุศลศีลเป็นอริยทรัพย์พอไม่เห็นกุศลศีลเป็นอริยทรัพย์ก็จะทิง้งกันเยอะนะเอาเริ่มนะถ้าเป็นพระก็เริ่มทิ้งว่าเสกคีย์วัตรเจดสิบห้าทิ้งไปนะ เอาะปาจิตี30ก็ทิ้งไปแล้วเดี๋ยวก็นิสกีปาจิตี30มสเอาออกไปอ๋อันนี้ยอดสองไม่เหมาะเอาออกไปสังฆทิศเสร็จแออกไปเหลือจะประชิกสี่ข้อหรือมวยอะไรยุ่งเลยใช่ไยอมก็เหมือนกันเนี่ยยอมรู้ยไม่เอาแลศีลนะเข้าเนี่ยเข้าอู้ข้ออื่นได้เนะว่างั้นนะก็ไม่ได้แล้วเป็นสุรามที่ต้องเข้าสังคมต้องมีการกินบ้างเอาเหลือซี อุ้ยไม่ได้ต้องเสีราคาต้องเส้นนานๆบางครั้งก็ต้องมูสาวาดบ้างบางครั้งก็ต้องโกเอากไปพิมอีกใช่ไหมนะเข้านะเข้าอุ้ยไม่ได้แล้วมีการกระพริผิดในคามบ้างก็ไปเป็นไรก็ไม่มีใครรู้ไปเลยทีนีะนี่ทรัพของคนอื่นถ้ามีการช็อกราดบางหลวงได้ก็เอาบ้างเสียหายเลยแท้ที่จริงเบียดเบียนตัวเองดวยแท้อย่าเงีเบียดเบียนตัวเองเลยแท้ ในที่สุดจริงๆไงกุศลศีลก็ไม่ฐานไม่ไม่ฐานรองรับกุรลดำซึ่งซึงแล้วภัยอันตรายมันเกิดแก่ใครเนี่ยมันเกิดแก่บุคคลที่เขาที่เขาไม่รักษาแต่ทีบอกว่าพอจะได้เรือไอ้ตรงนี้อพอพอทิ้งพอทิ้งอริยทรัพย์ไปใช่ไหมก็เหมือนกับที่ว่ารั้วเนี่ยบ้านของเราที่มีรั้วรอบขอบชิด แต่เราเห็นว่าเป็นความอิดทางรั้วออกทางรั้วออ ก, ออกเข้าอะไรจนขโมยยกขึ้นมาจุลกรรมเนี่ยทุกวันนี้เหมือนกันเพราะกุศลศีลไปแปลว่าอะไรโทสะเข้าง่ายไหมง่ายมากจริงจริพอกุศลศีลหายไปเดี๋ยวโทสะก็เข้าโทสะก็เข้าเนี่ยเพราะเราไปทิ้งอันยาทรัพย์ของพระพุทธเจ้าความสุขที่เคยได้ก็กลับไม่ได้ใช่ไหมฉะนั้นก็ตรงนี้ก็คือว่าถ้าเอากุศลศีลมาใข่ควรมาพิจารณาแล้วก็ จะเห็นคุณศรัทธก็จะเห็นจะเห็นทรัพย์ของพระเจ้าเพอรู้ว่าเป็นอริยทรัพย์ต่างๆแล้วก็มาพิจารณาในฐานะที่มาศึกษามาเพื่อปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระเจ้าใช่ไหมเราจับได้ทรัพย์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าในการที่เป็นเป็นเป็นเป็นเครื่องยึดถือได้ในฐานหน้าที่เราเป็นสาสนฐานญาตเราก็ต้องมีสิทธิในการที่จะรับมรดกของพระผู้มีพระภาคเจ้าใช่ไหมถ้าเราไม่ได้รับมรดกเลยก็แปลว่าไม่ใช่ญาติที่แท้จริง หรือเราจะมาเอาอมิสตาญาตจากพระพุทธเจ้าใช่ไหมจะเอาบทเอาวิหารร้างยึดไม่ได้แลอันนั้นมันไม่ใช่นี่มันไม่ใช่สารณะคนที่ยึดจะท้ออิดหินดินปูนก็กลายไปเกิดเป็นมดเป็นปลวกเป็นจริงจบตุกแกวิ่งลอบยึดดีกันเต็มไปหมดใช่ไหมลอประคามบ้านเรือนเต็มไปหมดเนี่ยเขาเขาไม่ในมนุษย์การเขาไม่เอาอริยทัพย์นี่เขาไปยึดมั่นในเกี่ยวในเรื่องที่มันไม่ใช่สาระในพระาศาสนาแตนี้เราก็มาใคร่ควพิจารณาที่ตรงนี้ พระอาจารก็บอกเออที่เขาเข้ามาแล้วก็เบื่อหน่ายเพราะเขาฟังทำอย่างพระอาจารย์แล้วก็เห็นว่าคารวะที่นี้ทุกแล้วเข้ามาเนี่ยเขาได้มีโอกาสเจริญกุศลศีลแล้วก็ทําอินทรีย์สังวรถ้ามีอินทรีย์สังวรยังไหมอิ in wall, นทรีย์สังวรเขาปิดบาปได้ทั้งหกทวานนัะ่ใช่ไหมตาเห็นรูปถ้าหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรส กายสัมผัสเย็นร้อนใจคิดนึกอารมต่างๆเนี่ยสติของเ้าดีมากเขสามารถไปตามกิจในการปิดบาบไม่เข้าไม่ไม่เข้าสู่ระวางใจะก็อย่างพวกเราถามว่าเมื่อฟังว่าทำไปเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเราจะพักเดรคกันปกนี่นะแปลว่าอะไรรู้ไหมไปทดสอบนะเนี่ยตอนนี้พอออกจากคลองมันจะรู้ทันทีแล้วว่าใครสามารถทํากายยสุจรลิกรวจีสุจริทิ์แล้วว่าอาชีวะบริสุทธิ์ไหมแล้วก็อินทรียังวรจะเกิดขึ้นหรือไม่ มีการสำรวมระวังไม่จะพูดจะจานเป็นไภขสุดเิลีสามไม่ตรงนี้เป็นข้อวัดเลยนะก็เป็นข้อวัดเกิดนี่ไงฟังพระธรรมแล้วขาดสติหรือไม่ไอะไรเงี้ยลองไปไข้ควรไอ ต, ตรงนี้ก็สมควรเดี๋ยวเวลานิติพักษ้ลองไปทดสอบด้ยนะยม